อาจารย์ครับกลาวอำรัตการครับผมเจริญพรสบายดีครับผ ม, มบบผมสบายดีครับอาจารย์ครับอ า, อาจารย์ฝ น, นตกหนักเลยเมื่อเช้าต ก, <laughs> ต, กตกหนักเลยใช่ไหมครับเมื่อเช้านีตต้ตอนตีสี่ตีห้าครับผมต ก, ตกไปถึงตอนตอนบินรบาดแต่ตอนบินระบ า, า, าบดก็เบ า, เ า, บาลงแล้วครับเห็นอาจารย์ยังไปบินระบาดเช่นเคย อาจารย์ครับตอนนี้มีคนฟังแปด้อยกว่าคนครับรอฟังอยู่ครับพระอาจารย์ครับเชิญนะฉะนั้ น, นผมขอโอกาส<า>พระอาจารย์เริ่มก<ล>ระราถามครับ<ม>พระอาจารย์ครับคําถามแรกผมถามเช่นเคยนะครับก็ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่อสอนมาบอกว่าวันวันสําคัญในชีวิตเนี่ยมีวันหนึ่งที่สําคัญมากมากก็คือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมครับอาจารย์ครับผมก็เลยขออนุญาตกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเราเกิดมาทําไมครับพระอาจารย์ครับเราเกิดมาเพื่อมารับใช้กิเลสตัณหาของเรานั่นเอง ตัณหาความอยากที่เป็นเหตุที่เป็นผู้ผลักดันให้เรามาเกิดกามะตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหาคือความอยากได้ลาบยศสารเสิญสุขนี่เป็นตัวที่ผลักดันให้จิตใจเรามาเกิดขึ้นมามีร่างกายแล้วพอเราได้ร่างกายเราก็รับใช้ความอยากอันนี้แหละอยากได้ลาบยศสารเสริญสุข ก็เลยมารับใช้ความอยากนั่นนี่คือความจริงความอยากเป็นผู้สัง่งเราไปเหมือนเราเป็นเหมือนขี้ข้ายังไงคนรับใช้ความอยากสัง่งว่ไปเอาเงินมาไปหาลาบไปหายศไปหาสารเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิอกายสั่งเรามาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายก็ยังไม่เลิกสัง่ง พอร่างกายนี้ตายไปมันก็สั่งให้ไปหาร่างกายใหม่เพื่อมาทำตามความอยากใหม่เพราะความอยากนี้มันไม่มีความอิ่มความพอได้ลาบลดเสร็เสริมสุขมามากน้อยยังไงก็มไม่พอได้คือก็อยากจะได้สอวได้สอกวก็อยากจะได้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า มหามห า, าสมุรทรนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเขาก็ยังมีขอบไม่ฟังแต่ตั้งหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฟังได้เท่าไหร่ไม่มีความพอต้องเอาอยู่เรื่อยๆนึงทําให้เวลาตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็เลยส่งผลดันจิตใจให้ไปหาร่างกายอนใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้เป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสรรเสริญสุขกันใหม่มีใครต้องสอนเราไหมว่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขกันไม่ต้องสอนเนี่ยของเ่อนี้อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายกันนี่แหละคือถามว่ามาเกิดทําไมก็มาเกิดเพื่อมารับใช้ความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขนี่ แล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าตายไปมันความอยากมันก็ไม่ได้หมดย่หมดก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุปผู้ตัดสั้ความจริงอันนี้ว่าจิตใจของพวกเรานี้อยู่ภายใต้อํานาจของความอยากแต่สามารถเอาชนะความอยากสามารถละความอยากหยุดความอยากได้ด้วยการปฏิบัติทำ ท่พระพุทธเจ้าสงคนพบคือปฏิบัติมากแปดหรือย่อลงมาสำหรับพระก็เป็นสีนสมาธิปัญญาหรือย่อลงมาสำหรับคารวะผู้คลองเลือนก็ทานสีนภาวนานี่นี่แหละตัวที่จะมาปราบตัวที่มาคอยเป็นเจ้านายเราสั่งการให้เรามารับใช้คือความอยากของเรานี่จะหมดสิ้นไปได้ด้วยการทำทานรักษาสีนภาวนาน อย่างนั้นเราเกิดมาแล้วก็เราก็ต้องเกิดมาเพื่อทำกุศลก็คือทานศีลภาวนาอย่างนี้ใคราต้องการที่จะหยุดถ้าเราต้องการตัดการเวียนว่ายตายเกิดที่มีมาอย่างยาวนานและจะมีต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดจากไดที่เรายังไม่สามารถที่จะกาจัดความอยากในราภดศเสรรสุดสุดได้นี่พระเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ต่อสู้กับความอยาก ได้ราบยศเสริมสุขเป็นพระราชามหากษัตริย์กสละราชสมบัติมียศมีทรัพย์กสละมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกสละเพื่อไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่จะมากำจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจพอหมดแล้วทีนี้ก็โดยเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอิสระภาพนะ ทีนี้ไม่มีความอยากที่จะมาสั่งการให้จิตใจไปรับใช้ได้ต่อไปก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเกิดใหม่อีกต่อไปครับขอบพระคุณพอาจารย์ครับพรอาจารย์ครับทีนี้ผมจะถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอั น, นคําถามแรกนี้อดีเขาส่งเามาทางไลน์กับอาจารย์ฝากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าคนที่นับถือคริสเตียนมีความ ร, รักกับคนที่นับถือศาสนาพุทธแบบสุดโต่งทั้งคู่ในเรื่องศาสนา ของแต่ละคนแต่ผู้หญิงทำอาชีพเป็นนักพยากรณ์หรือหมอดูซึ่งความเชื่อของคริสเตียนหมายถึงผู้ผีปีศาจซาตานอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้านั้นผู้ชายที่เป็นคริสเตียนจึงขอให้ผู้หญิงเปิดใจนับถือพระเจ้าถึงสามารถใช้ชีวิตคู่กันได้และผู้หญิงได้ปรณนาตัวว่าขออยู่ต่อในศาสนาพุทธทุกภพทุกชาติพระอาจารย์สุชาติมีอะไรที่จะแนะนาสำหรับผู้หญิงที่เป็นหมอดู ว่าเขาจะไปรับศาสนาคริสเตียนแล้วจะมีความเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยหรือจะต้องทําอย่างไรที่จะดีที่สุดในขนทางนี้ปราบขอพระคุณขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะครับ อ, อการจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงนี้ต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ า, น, จา น, นี้ ถือหลักกรรมเป็นเป็นประเด็นสําคัญของของชีวิตคนเราดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราเองทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเรากระทาไปในทางที่ดีเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญศุขขอให้เข้าใจจิตใจนี้เป็นการเจริญทางจิตใจ ซึ่งเป็นการเจริญจิตใจอีกแบบหนึ่งที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันคือเจริญจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทเเป็นพรอมเป็นพระอริยบุคคลอันนี้ต่างหากคือความเจริญจากการที่เราทํากรรมดีละการกระทํากรรมเชื่อถ้าเราทํากรรมชื่วเราก็จะเสื่อมจิตใจเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์กลายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นมรรคกายและไปนรก ตามอำนาจของกรามชั่วที่เราทำอยู่ว่ามีมากน้อยเพีงเยงไรอย่างไรนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่นอนเรื่องถ้ายังเป็นชาวพุทธและยังไปทาอาชีพหมอดูอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็จะว่าไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาจะไปไปอะไรกับใครที่ไหน พรเขาเองเขาก็ยังไม่ได้ถือคําสอนของพระเจ้าที่สอนให้เราเชื่อในกฎแห่งคําเป็นหลักแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะตอบคําถามที่เขาถามว่าอย่างไรครับสรุปคําถามว่าได้ไหมวันนี้เขาถามว่าอย่างไรสรุปประมาณเหมือนกับว่าเขาจะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติที่เป็นคริสเตียนนะครับอาจารย์ครับแล้วเขาจะคง<ม>จะประมาณถามว่าถ้ า, ถาแต่งงานในคริสเตียนไปรับเชื่อพระเจ้ายังจะนับถือศาสนาพุทธได้ไหมประมาณนี้มั้งครับอาจารย์ครับ คือศาสนาพุทธให้ไม่ห้ามการที่เราจะไปศึกษาไปเชื่ออะไรอย่างอื่นตราบใดที่คำคำศีกคำคำสั่งสอนเหล่านั้นไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือถ้าไม่ได้สอนมาลบล้างโกด่งกรรมนี้ก็เชื่อเขาได้ย่างเราไปเรียนวิชาแพท์นี้เราก็เรียนได้ไเรียนวิชาต่างๆเราเรียนได้เพราะวิชาต่างๆเหล่ า, านี้เขาไม่ได้มาลบล้าง ค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะง้นถ้าตามใดที่คําสอนของาศาสนาอื่นนี้ไม่ขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธาศาสนาก็สามารถนําปฏิบัติตามได้เช่นทุกศาสนาก็สอนให้ทําทานเงิน<อ>ให้มีการทําทานเงินศาสนาเกิร์ชก็สอนให้ทําทานาศาสนาเกิร์ชก็สอนให้มีศีลไม่ให้เบยดเบียนกันไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ให้นักทรัพย์ของผู้ คำสอนเหล่านี้เหมือนกั น, นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามกันได้แต่คําสอนที่ลึกไปกว่านี้คือคําสอนว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการเชื่อพระพุทธเจ้าอันนี้มันไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนา อันนี้ศาสนาอื่นไม่มีพอจะได้ความหมายนะครับผมคำถามจากคุณแรบบิทอุครับการธรรมสการพระอาจารย์ขอเลี่ยงถามเจ้าค่ะเหตุใดกรรมหรือบุญอันใดจึงได้เกิดมาเป็นพี่น้องกับคนนี้ทำไมต้องเกิดเป็นลูกพ่อแม่คนนี้คะอันนี้มันเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าจังหวะโอกาส ที่เวลาที่เราพร้อมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีมนุษย์ผลิตขึ้นมาในท้องแม่ของเราเราก็ไปไปรับร่างกายอันนั้นแล้วพอดีแม่เราก็ผลิตหลายคนคนที่เกิดมาในท้องแม่จากท้องแม่ก็เลยถือว่าเป็นพี่น้องกันก็เหมือนกับคนที่ไปสอบ entrance เข้ามหาลัย อย่างคุณหมอสอบเป็นชั้นติดแพทย์ใช่ไหมคนอื่นที่เขาสอบติดแพทย์ก็ก็ไปินเรียนที่เดียวกันครับมันก็ลักษณะคุณหมอสามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้แบบว่าเราจะเอาเพื่อนคนนั้นคนนี้มาเรียนด้วยี้ใช่ไหมเราก็จะเลือกคนนั้นคนนี้มาเป็นพี่น้องเราไม่ได้เพราะคนที่มาเกิดในข้าวแม่ของเรานี้เขาเหมือนกันได้สอบเป็นชั้นเขาได้เขาได้ผ่านคือ จิตใจของเขาตอนนั้นได้ผ่านการใช้บุญใช้บาปจนที่จิตใจเขามีสิทธิ์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ซึ่งเหมือนกับจิตใจของเราซึ่งอาจจะต่างวาลาต่างเวลาพี่เราก็อาจจะมาเกิดกับเราปีสองปีน้อง <Okay. S 1> เราอาจจะมาเกิดน้องเราปีสองปีเพราะวาลาของจิตใจของเขาในต่างกับของเราเวละที่จะมารับร่างกายของมนุษย์นีต่างกัน <Okay. S 1> และเวละที่ แม่ที่จะผลิตลูกนี้ก็ต่างกันแต่ก็มาเกิดในที่เดียวกันก็เหมือน ก, นกับการไปเรียนมหาลัยซึ่งมีหลายรุ่นใช่ไหมมีรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแต่ก็เรียนที่มหาลัยอันเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคนนี้มาเรียนคนนั้นมาเรียนฉันใดการที่จะได้พิี์ได้น้องที่มาเกิดในเท่งแม่นี้ก็เหมือนกัน มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหลายประการด้วยคการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อํำนาจของพวกเราที่จะไปสั่งการได้ครับแต่อาจจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ได้ไหมครับอาจารย์ครับคือเคยอยู่ด้วยกันเคยอันนี้กกนไม่เกี่ยวมันถ้าเราเจอกันแล้วมันเกิดแล้วถ้าชอบกันก็ถือว่าอาจจะมีอความความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตต่อกันครับถ้าไม่ดีก็ จ, จะเป็นเพราะว่าในอดีตเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน อันนี้มันสังอยู่ในใจเราพอเราเจอใครเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเราชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเรื่องกลางๆนี่เป็นลักษณะของของปฏิกิริยาของเราแต่ละเวลาที่เราพบปากกับคนใหม่ๆที่เราไม่ไมรู้จักบางทีเราก็รู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายบ า, า บ, าบางทีเจอแล้วก็ชอบเขาบางทีเจอแล้วพอแม่เขาไม่ชอบคนที่สายแบบนี้ บ <laughs> ม, มันเป็นเรื่องของของของนิสัยเรามากกว่าของความชอบความไม่ชอบของเรามากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำํำบุญร่วมกันหรือทําบาสมาร่วมกันครับคําถามจากคุณ S Channel ครับการนมัสการค่ะการที่เรานําของมีค่าไปบรรจุไว้ใต้ฐานเจดีย์ตามวัด ต, ต่างๆจะได้ได้บุญหรือไม่คะถ้ า, รร า, าฟฟเราบริจาคให้กับวัดไปก็ได้บุญเพราะเราบริจาคให้ ให้เป็นเป็นสมบัติของวัดไปเผื่วัดในภายภาคหน้าถ้าเกิดมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินทองก็อาจจะเอาเงินทองที่ฝากไว้ในใต้เจดีย์นี้มาให้ประโยชน์ต่อไปแต่ถ้าไปฝากไว้นี้ไม่ก็เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ให้เราเพียงแต่ไปฝากวัดไว้แล้ววันไหนเราต้องการเงินเราก็ไปขอคืนนี้ ในนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำบุญหรืที่ว่าเราให้แบบไหนให้แบบให้เลยไม่เอาคขื่อนก็ถือว่าเป็นบุญแ้วให้แบบฟางนี้ไม่ได้บุญคาถามจากคุณสารันแก่สารันการนะครับกลาดธรรมศาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลาดเรียนถามพระอาจารย์อธิบายความหมายคํ า, มมาคว่าจิตดับและดับจิตว่ามีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคือ ค ำ, คำสองคำนี้รู้สึกว่าทางโลกก็จะมาใช้ในเรื่องเวลาคนตายมากกว่าเวลาร่างกายตายเขาเรียกว่าจิตดับคำจริงจิตไม่ได้ดับร่างกายดับร่างกายหยุดหายใจร่างกายยุติการทํางานแต่เขาไม่ใช้ไม่ทราบทําไมเขาไปใช้คําว่าจิตดับ<ฆ>อันนี้มันก็เลยทําให้คนที่ไม่รู้เรื่อง ฟังแล้วก็งงหรือว่าไม่เข้าใจความจริงว่าเขาหมายถึงอะไรความจริงก็คือเขาหมายถึงร่างกายดับไปร่างกายหมดสภาพไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของร่างกายได้ต่อไปเรียกว่าร่างกายดับจะดีกว่าแต่เราไม่ชอบใช้คาว่าตายกเราก็เลยดันไปใช้คาว่าจิต ด, ดับแทนว่ามันฟังแล้วมันไม่น่ากลัว เนื่อความจริงจิตไม่ได้ดับนะเพียงแต่ว่าร่างกายหยุดการทํางานการสัมพันธ์การเชื่อมต่อระหว่างจิตกับร่างกายก็สิ้นสุดลงในตอนนั้นจิตนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตนี้ส่งกระแสะที่เรียกว่าวิญญาณห้าวิญญาณทางตาภูจมูกนิ้งกายมาเกาะติดที่ตาภูจมูกนิ้งกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรอตกฎสภาวะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกาย นี่คือการการเชื่อมต่อของจิตกับร่างกายแต่พอตาหูจมูกลิ้นกายหยุดทํางานวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยถอนกลับไปสู่ในจิตต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ส่งกระแสวิญญาห้านี้ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีการเริ่ม ก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวของร่างกายอันใหม่ขึ้นมางั้นคำว่าจิตดับนี่จิตไม่มีวันดับนะที่คำว่าจิตดับนี้ทางโรงพยาบาลเขาใช้แทนร่างกายมากกว่าร่างกายดับแต่เ้าไม่อยากจะพูดอย่างนั้นก็กลยไปพูดว่าเป็นจิตดับหรือดับจิตครัำ ถ, ถามจากคุณยูครับการ ร, รักษาการค่ะสวรรค์นรกมีจริงสำรับผู้ที่เสียชีวิตหรือไม่คะ และที่ว่าไปสู่สุคติเป็นการปลอบใจหรือเปล่าคะมันมีจริงและมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เรายัางไม่ตาย เ, ยเวลาใดที่เรามีความสุขเวลานั้นก็คือสวรรค์เวลาใดที่เรามีความทุกข์เวลานั้นก็คื อ, อนรกหรือทุคติมันมีทุคติกับสุคติทุกคติก็คือเวลาจิตใจมีความทุกข์ถุกความทุกข์รุมเร้าจิตใจ เปรียบเทียบก็เหมือนกับใจหรือเอรือว่าห้องนีห้องที่มีความร้อนสูงที่เกิดจากการรับแสงแดดแต่อีกทางหนึ่งเวลาไปติดเครื่องปรับอากาศในห้องห้องก็เย็นตอนนั้นก็มีความสุขเวลาห้องเย็นเวลาห้องร้อนมันก็มีความทุกข์ใจก็เป็นเหมือนห้องนี่แหละเวลาทำบาป ก, ก็เหมือนกับไปไปจุดไฟ จุดฮีตเตอร์ในห้องจุดเทื่อมทําความร้อนในห้องทําให้ห้องห้องมันร้อนขึ้นมามันก็ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นก็ทุกเวลาทําบุญก็เหมือนกับเวลาไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดพอปรับเปิดเครื่องปรับอากาศห้องก็เย็นนั<ฮ>่นแหละบุญกับบาปก็เป็นอย่างนั้นบุญทําให้ใจเราเย็ยนบาปทําให้ใจเราร้อน บุญเราก็เรียกว่าเวลาใจเย็นเราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาใจร้อนเราก็เรียกว่าอบายทุกติฉะนั้นมันเป็นเรื่องของใจครับ<ะ>แล้วก็เป็นตั้งแต่ที่ยังมีร่างกายครับ<ะ>แล้วพอไม่มีร่างกายมันก็เป็นต่อไปตามเรื่องของมันมันต่างกันตรงที่ว่าเวลาอยู่ที่มันยังมีอยู่ร่างกายนร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนได้ พอทำบาปปับกใจก็ร้อนขึ้นมาพอาหันไปทำบุญแทนใจก็เย็นกลับนลาแต่ถ้าเวลาตายไปแล้วนี่ไม่มีร่างกายที่จะมาคอยปรับเปลี่ยนบุณภูมิในใจมันก็อาศัยบุญรละบากที่เราได้ทำกันไวน้นี้มาเป็นผู้แสดงผลถ้าบุญที่เราสะสมไว้ในใจนี้มีมากกว่า บุญก็จะมีพลังมากกว่าที่จะแผ่ความเย็นให้กับใจตอนนั้นใจก็เหมือนอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะแผ่ความร้อนให้กับใจเราก็เรียกว่าเป็นทุ ก, กติอาจจะเป็นสภาพของนาโลกอาจจะเป็นสภาพของดวงวิญญาที่หิวโหยดวงวิญญาที่หวาดกลัวหรือไปได้ด้วยร่างกายของสัตว์ในราชา นี่คือสภาพของจิตใจนลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วแต่ขณะที่อยู่นใจของเราก็ยังขึ้นขึ้นลงลงระหว่างสวรรค์กับนรกอยู่สวรรค์กับอบา ย, ยวันไหนเรามีความสบายใจเราก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์วันไหนเรามีทุกข์ใจเราก็เหมือนได้ตกนรกทังเป็นดังนั้นมีความจ้านรกสวรรค์ก็คือสภาวะของใจนี่ ใจที่เป็นสุขก็เรียกว่าสวรรค์ใจที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าดาวอังคารจะคุณพ่อมาครับการกรัฐศาสการพระอาจารย์สุชาติและสวัสดีคุณหมอครับรบกวนสอบถามผมควรพิจารณาและปฏิบัติอย่างไรหากรู้สึกไม่สบายใจหดหู่ผิดหวังกับข่าวการทุจริตข้าราชการนักการเมืองที่ทุจริตของประเทศครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในเรื่องที่มีคนที่ใจบุญก็มีคนที่ใจบาปก็มี คนใจบาปเขาก็จะทำบาปคนใจบุญเขาก็จะทำถ้าเราอยากจะสบายใจเราไปดูคนที่เขาทำบุญเ็งไปดูคนที่เขาทำบาปทำไมคนที่ทำบุญมีเยอะแย ะ, ยะทําไม่ค่อยเป็นข่าวกันเพราะว่าสังคมนี่ชอบดูคนที่เขาทำไม่ดีกันมากกว่ า, เ พ, าเพราะถ้าไปเห็นคนอื่นเขาทำดีแล้วเราจะรู้สึกอิจฉาแต่ถ้ารู้คนอื่นเขาทำชั่วเราจะรู้สึกว่าเราดีกว่าเขา คุณชอบดูข่าวของคนที่ทำชั่วไม่ค่อยชอบดูข่าวของคนที่เขาทำความดีการดูคนที่เขาทำความดีแล้วมันทำให้มีความสุขเวลาเห็นคนเขาไปแจกทานช่วงนี้มีคนไปแจกข้าวแจกข้าวสารข้าของเงินทองให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากดูแล้วมันมีความสุขใจแต่ถ้าเราไปดูคนที่ชอบโกงเอาเงินของรัฐบาลไปใช้ส่วนตัวอย่างนี้ เห็นแล้วมันก็ทําให้เราปวดหัวใจงั้นอยู่ที่เราเลือกดูเนี่ยเหมือนกับดูภาพยนตร์เนี่ยดูทีวีเดี๋ยนี่มีหลายช่องให้เราเลือกใช่ไหมจะดูเรื่องที่ทําให้ใจเราหวาดกลัวก็ได้ดูเรื่องผีเรื่องอะไรก็ได้หรือจะดูเรื่องที่ทําให้ใจเราสบายก็ได้หัวเราะก็ได้ดูช่องดูช่องการ์ตูนดูช่องตลกดูแล้วก็หัวเราะแต่เราก็เลือกดูสิเราจะไปดูเรื่องที่ทําให้เราปวดถูวทําไม เราไปห้างก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนทีวีให้เราดูเนี่ยพฤติกรรมของคนต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนเหมือนช่องทีวีเราเป็นเรื่องดูช่องที่มันทําให้เราปวดหัวเองเราเลือกดูช่องที่ทําให้เราสบายใจสิไปดูช่องที่ของคนที่เขาทําบุญของคนที่เขาช่วยสงเคราะห์ประเทศชาติหรืองสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากไปดูคนที่เขาบริจาคของให้โรงพยาบาลของคนก็ทําอาหารไปให้หมอให้พยาบาล ช่วงนี้เวลาใครที่วัดนี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเวลามีการฉีดวัคซีนนี่จะมีญาติโยมซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรมาให้แพทย์พยาบาลที่ทำหน้าที่เห็นเร้ก็มีความสุขใจที่มีคนใจบุญทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ให้กับผู้เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเราเราไปไปบังคับให้โลกนี้มันเป็นมีแต่คนดีงามทั้งไปหมดมันไม่ได้หรอก เพราะโลกนี้มีคนที่มีจิตใจไม่เหมือนกันจิตใจสูงจิตใจต่ำจิตใจที่ชอบทําบาปกับจิตใจที่ชอบทําบุญงั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ดูเรื่องของคนที่ชอบทําบุญสิอย่าไปดูเรื่องของคนที่ชอบทําบาปเพราะไปดูเรื่องของคนทําบาปแล้วมันก็ทําให้เราหดจิตใจครับผมคําถามจากคุณสุธาทิพย์ครับ เรียนถามพระคุณเจ้าเจ้าค่ะแม่มีความจําเสื่อมตอนนี้มาอยู่กับลูกทางอีสานในบางครั้งอยากไปตายที่ภาคใต้บ้านเกิดจะบอกแม่อย่างไรดีคะไม่อยากให้ท่านบ่นอยากไปตายที่ภาคใตออ้ตายที่ไหนก็เหมือนกัน่แล้วแต่ท่านท่านท่านอยากจะไปไหนก็ปล่อยให้ท่านไปเถอะเพราะเราห้ามความตายไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายถึงเวลา เพราะฉะนั้นถ้าแ ม, แม่อยากจะไปอยู่ที่บ้านทางใต้เขาปล่อยท่านไปก็แล้วกันเพื่อความสบายใจของท่านเรายาวใจเราสิร่างกายเป็นของแม่คนที่จะตายคือแม่แต่เรากลับไปทําตามใจเราไม่อยากให้แม่ไปตายที่ภาคใต้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นการไปก้าวไก่ในชีวิตของแม่ควรจะให้สิทธิ์ของแม่ว่าแม่จะเลือกตายที่ไหนก็ปล่อยให้แม่เลือกเรา แต่ความตายนี่มันตายแน่ๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรายอมรับความตายแล้วได้แล้วนี่ตายที่ไหนก็เหมือนกันคำถามจะคุณนัตยาครับหากไปไม่ถึงขั้นนิพพานสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นกรารวาที่เราควรยึดถือคืออะไรคะก็ไปสวรรค์เลยทําบุญแล้วก็รักษาสิงอย่าทาําบาปตายไปรับประกันได้ ว, ว่าจะไปจะไปสวรรค์ชัดต่าง ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทํามากน้อยเท่าไหร่ทํามากก็จะได้สวรรค์ที่ชั้นสูงขึ้นสวรรค์ที่สูงขึ้นก็หมายความว่ามีความสุขมากขึ้นสวรรค์นี่ก็เปรียบเหมือนกับโรงแรมที่เราไปพักต่างประเทศมีหลายดาวใช่ั้มมีตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวทำไมทําไมถึงต้องแบบไหมต้อง1ดาวกับ5ดาวก็เพราะว่าการบริการมันไม่เท่ากันการให้ความสุขกับผู้ที่ไปอยู่นี่มันไม่เท่ากัน เขาก็เลยมีการแบ่งดาวไว้แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเสียเงินน้อยก็อยู่โรงแรมดาวน้อยถ้าเสียเงินมากก็อยู่โรงแรมดาวมากชั้นใดถ้าทําบุญมากก็จะไปอยู่โลกสวรรค์ที่มีดาวมากถ้าทําบุญน้อยก็ไปอยู่สวรรค์ที่มีดาวน้อยจึงมีสวรรค์หกชั้นด้วยกันแบ่งกันไว้ขึ้นอยู่ว่าเราทําบุญมากน้อยเพียงไร จจถ้าอยากจะถ้ายังไป <ละ S 1> ไม่ถึงนิพพานก็ขอให้พยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีถ้าจะทำพลาดครั้งมากพลามันน้อยที่สุดคืออย่าทำด้วยด้วยความเป็นนิสัยพยายามหักห้ามจิตใจอย่าไปทำบาปห้าข้อนี้แล้วก็พยายามทำบุญตามกำลังของเรามีโอกาสมีเงินมีทองก็แบ่งไปทำบุญมาก เรารับประการได้ตายไปนี่จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆอย่างแน่ น, นอนทาารครับแลบนสวรรค์นี้เขามีปฏิสัมพันธ์กันไหมครับไม่มีรของกายของมัน<อ>แต่สามารถเชื่อมต่อกันได้ถ้าถ้ามีพลังจิตเทวดานี่สามารถติดต่อได้คจิตก็จิตของเราเดิมนี่ยังสามารถติดต่อกันได้เช่น จ, จิตของพระพุทธเจ้านี่ยังติดต่อกับจิตของพุทธมารดาได้จิ<อ>ตพุทธมารดาอยู่สวรรค์ จิตพุทธเจ้าอยู่โลกของมนุษย์แต่ก็สามารถเชื่อมต่อด้วยพลังจิตของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีพลังจิตที่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีได้จากการปฏิบัติมีได้บางคนนะได้วความสามารถพิเศษที่ได้จากอุปจารสมาธินี้ก็ไม่เท่าเทียมกันบางคนก็สามารถติดต่อกับกายทิปได้ติดต่อกับพวก ผู้ที่ตายไปได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเปรตผีอะไรก็ได้บางท่านก็ระลึกชาติได้บางท่านก็อ่านวาะจิตของผู้อได้อันนี้เป็นพลังจิตพิเศษที่ได้จากการมีอุปจารสมาธิถ้าผู้ใดมีอุปจารสมาธิก็สามารถเชื่อมต่อติดต่อกับกายทิพกํตางได้แต่ถ้าไม่มีก็ตัวใครตัวหนือนอยู่ในอยู่ในโลกของ อยู่ในบ้านของตนแล้วก็เปิดวิดีโอดูเพราะ mm hmm. วเวลาตายไปนี้ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนอนหลับเราก็เปิดวิดีโอดูคือความฝันนีฝันดีฝันร้ายก็อยู่ที่ว่าเราไปเช่าวิดีโอแบบไหนามาเก็บไว้ถ้าเราไปเช่าวิดีโอไม่ดีมาดูมันก็จะมีเรื่องไม่ดีให้เราดูถ้าเราไปเช่าวิดีโอที่ดีมาเก็บไว้เราก็จะมีวิดีโอที่ดีไว้ดูเนี่ยบุญที่เราทําไว้เนี่ยเป็นเหมือนวิดีโอที่ดี ส่วนบาปที่เราทำไว้นี่เป็นวิดีโอที่ไม่ดีเพราะเวลาเราตายไปถ้าส่วนไหนมีกําลังมากกว่าส่วนนั้นก็จะมาใช้ก่อนถ้ามีวิดีโอไม่ดีมันก็จะมาเข้าคิวใช้ก่อนถ้ามีวิดีโอที่ดีมันก็จะามาใช้วิดีโอที่ดีแล้วก็จะอยู่ในโลกของความฝันอย่างนั้นไปฝันดีฝันร้ายไปจนกว่าวิดีโอที่เราแช่ามามันหมดเราก็จะมาเกิดมารอคิวเงาเกิดเป็น ม, น, มนุษย์ใหม่ ก่อจะเข้าใจนะครับผมคำถามของจิตเนี่ยมันมันมันส่วนใหญ่ยัอยู่ของใครของมันมันดูวิดีโอของใครของมันแต่เหมือนบนเครื่องบินใช่ไหมเดี๋ยวนี้แต่ละที่นั่งนี่เขาก็ให้มีจอที่อยู่อยู่ด้านหลังของเก้าอี้ของใครตัวมันครับผมดูอยากจะเลือกดูเรื่องไหนก็เลือกดูได้มันเหมือนเมื่อก่อนที่บังคับให้ดูจอใหญ่จอเดียวเรื่องเดียวให้ดูสนมัยัรกแรก ผมไม่ทันครับแต่คุณอ่อนอ่อนสารนะครับการพิศีการเจ้าค่ะขอเรียนถามว่าการนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งบนพื้นเท่านั้นหรือไม่ครัเพราะว่าหนูเคยนั่งบนที่นอนหลังจากสดมนก่อนนอนแล้วรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดร่างกายและก็มีสติอยู่กับลมหายใจค่อนข้างนานกว่านั่งกับพื้นค่ะคือสมัยโบราณนี่มันไม่มีเตียงเลยก็ส่วนใหญ่ก็นอนกับพื้นไยงมันก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ติดตามม แล้วอย่างหนึ่งกน็นั่งสมาธิก็นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิซึ่งนั่งกับพื้นนี่จะเป็นที่มันเดชพ่านั่งกับเตียงหรือกับเบาะนี่มันอาจจะยุบยากแต่นั่งได้ไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาท่านจะนั่งกับเตียงก็ได้จะนั่งกับพื้นก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ฝึกใหม่นี่เราอาจจะกลัวความเจ็บปวดของร่างกายก็นั่งกับเบาะกับอะไรไปก่อน แต่ถ้าปฏิบัติไปก้าวหน้าไปนี้เราอยากจะนั่งให้มันเจ็บสิเพราะเราต้องการใช้จิตของเราให้ฝึกขัดให้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ของร่างกายเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าขั้นต้นๆเราว่อาจจะนั่งบนเบาะนั่งอะไรที่มันสบายเพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บเพื่อจะได้เข้าสมาธิได้งา่ายแต่ถ้าเรามีพลังจิตสูงสามารถเข้าสมาธิได้งนะ ได้อย่างง่ายด้แล้วก็ จ, จะลองนั่งแบบให้มันเจ็บ ด, ดูเราจะใช้พลังของสมาธิเรานี้ต่อสู้ความเจ็บเมื่อต่อไปเวลาร่างกายเจ็บปวดเราจะได้รู้จักวิธีต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องมาใชยยาที่หมอมาคอยให้เช่นยาแก้ปวดชนิดต่างๆถ้าผู้ที่สามารถเข้าสมาธิด้านนี้เขาจะไม่ต้องใช้ยา แกปวดมารักษ า, าเขาสามารถเข้าสมาธิได้ดงนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าขั้นที่จิตเรายังอ่อนยังกลัวความเจ็บอยู่ถ้าเจ็บแล้วจะไม่มีสมาธิทำให้จิตสงบได้ก็ต้องนั่งแบบที่มันไม่เจ็บไปก่อนแต่พอมีจิตมีความแข็งแกร่งขึ้นสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายพอเจอความเจ็บก็สามารถ หลบเข้าสมาธิได้หรือใช้สมาธิอยู่กับความเจ็บได้ก็ไม่จำก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งแบบที่มันไม่เจ็บนั่งกับที่มันเจ็บมันก็จะเป็นการฝึกจิตไปในตัวให้เตรียมพร้อมกับอนาคตที่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกเราจะรู้จักวิธีอยู่กับมันได้อย่างสบาย คำถามจากคุณบีมานาน่าครับการนิมมัสการ์ขอสอบถามที่บ้านเลี้ยงสุนัขหลายตัวและบางครั้งมีเห็บหมัดมาจากที่อื่นบางทีก็ใช้ยาไล่บางทีเราก็ต้องฆ่ากําจัดเห็บหมัดให้สุนัขจะบาปไหมคะฆ่าก็บาปสิครับผมไม่ไมไรู้จะไหวยังไงมันเป็น ม, มันเป็นอย่างนั้นฆ่าก็บาปถ้าไม่อยากจะทําบาปก็อยากฆ่าก็ยกหมาให้คนอื่นไป เราก็จะได้หมดภาระในการที่จะต้องมาคอยฆ่ามัดให้กับหมาถ้ามีใครอยากได้หมามเห็นหมา ส, ายสวยๆอยากได้ก็ยกไอ้เขาไปเลยเอาไปเล ย, เ, เ, ลยเราก็จะได้ไม่ต้องมาฆ่าสัตว์ฆ่าฆ่าหมัดฆ่าเห็ดชอบใจคำถามเจ้าคุณวิรพันธ์ครับกาํานมัศการพระอาจารย์ค่ะคนมีเจ้านายเวรจริงไหมคะเช่นเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องการให้ผู้ที่กําลังจะตายทุกประมาณไม่สมหวัง หากใครไปช่วยก็จะทําให้คนนั้นมีอันตรายหรือมีอันเป็นไปจะเป็นไปได้หรือไม่คะไม่เกี่ยวกันหรอกการไปช่วยเหลอบุคคลที่เขาเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรของใครนะเป็นการทําความดีการทําบุญส่วนคนแต่ละคนนี้จะมีเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นเรื่องของของคนนั้นนั้นไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาขัดมาขวางหรือไม่ก็เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร นั่นไม่เกี่ยวกันไนงะคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนี่มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่สร้างทําบาปมาในอดีตมันก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยจองเวรจองกรรมแต่คนที่ไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน น, อนี่ก็เป็นคนไปทําความดีมันจะไม่มีอันตรายกลับจะมีมีความสุขมีความ ปลอดภัยสิเพราะว่าคนทาความดีนี่จะมีคนรักคนชอบยังไม่มีคนเกลียดชังไม่มีคน ท, ที่จะทำร้ายคาถามจากคุณศิริวัตรครับกลาวณผูราการพระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามว่าจิตกับผู้รู้เป็นตัวเดียวกันหรือไม่และการทำงานของจิตสติและผู้รู้ทำงานอย่างไรขอบุณครับจิตก็คือผู้รู้ผู้คิดจิตนอกจากรู้แล้วก็เป็นผู้คิดด้วย แล้จะคิดไปในทางไหนก็ขึ้นอยู่กับสติสตินี้เป็นผู้ที่จะมาควบคุมความคิดจะสามารถถ้ามีสตินี้ก็จะสามารถสั่งให้จิตคิดไปทางกุศลก็ได้คิดไปในทางอกุศลก็ได้หรือให้หยุดคิดก็ได้นี่คือหน้าที่ของสติส่วนทุเรู้ก็ถ้ามีสติก็จะได้รู้ว่ากำลังคิดไปในทางไหนถ้าคิดไปในทางอกุศลก็สั่งให้สติหยุด ความคิดนั้นเสียเราสั่งให้คิดไปในทางกุศลได้อันนี้คือการทํางานของผู้รู้ผู้คิดนะฮะสติที่มีในจิตใจดวงเดียวกันนี้จากคุณแอมมิโซนครับภายในจิตใจเรามีความคิดติดที่ติดลบกับผู้อื่นาบาปหรือไม่เจ้าคะยังไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาถ้าไม่ไปทําให้เขาเกิดความเสียหาย ยังไม่บาปแต่เป็นอกุศลคือเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดแล้วทําอย่างน้อยก็ทําให้ใจเราไม่สบายและอาจจะเป็นตัวที่จะไปจุดประกายให้เราไปทําบาปต่อไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดไม่ดีเราควรที่จะแก้เสียถ้าเรามีสติเราก็สั่งให้มันหยุดได้หรือให้เปลี่ยนคิดไปในทางบวกก็ได้แทนที่จะไปเกลียดเขาก็ให้คิดว่าเราไปรักเขาดีกว่าไปให้มีความเมตตากับเขาดีกว่า เการมีเพื่อนนี่ดีกว่าการมีศัตรูนั่นเองดัง้นเราสามารถเปลี่ยนความคิดดางเราได้ถ้าเรามีสติถ้าเราฝึกสติได้มากเวลาจิตเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็สั่งให้มันหยุดได้หรือสั่งให้มันไปในทางที่ดีให้มคิดไปในทางที่ดีได้แทนที่จะไปมีเรื่องไม่แล้วอร์เขาอย่าไปดีกว่าซื้อของขวัญไปฝากเขาดีกว่ามันเกิดเขาอย่างนี้เขเปลี่ยนใจได้ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ว่าผิดถูก คามผิดความถูกความดีความเชื่อเป็นอย่างไรลองคิดไปในทางที่ผิดก็อย่าอย่าทำทำให้งงคิดไปในทางที่ถูกคําถามจากคุณเจษ ด, ดากรครับกลาวในมัศการพระอาจารย์ครับการไม่ปฏิบัติตามสามาวาจาถือว่าผิดศีลข้อที่สี่หรือไม่ครับคือสามาวาจานี่มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งไม่พูดป่นสองไม่พูดคำหยาสามไม่พูด ส่อเสียส่อเสีนี่ไม่ได้หมายถึงเสียดสีนะส่อเสียนี้หมายถึงการพูดยุโยงให้พูดอื่เขาแตกความสามัคคีกันแล้วก็การไม่พูดเพเจอนี่เป็นอยู่ในกฎของสัมมาวาจาแต่ไม่ได้อยู่ในศีลห้าศีลห้ามีข้อเดียวคือไม่ให้พูดปดดังั้นถ้าเราถือศีล5้าอยู่แล้วเรายังพูดคําหยาบอยู่นี่เพิ่งเพอ่พูดคำหยาบนี่ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีล5้า คุณปรีชาครับกาลธรรมสกา ร, การพระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิครับถ้าเกิดเวทนาทางกายขึ้นเราควรวางจิตเราไว้แบบไหนนะครับขอบคุณมากครับก็วางอยู่ในความสมองนะถ้ายังไม่สมองก็ถ้าอยู่กับคําบริกรรมพุทธโทธพุทธโทธไปหรืออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจในขณะที่เรานั่งสมาธินั้นถ้าเราดูลมหายใจก็พยายามอ ย, าอยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดของทางร่างกาย แต่ถ้าเราไม่สามารถบัเพับให้มันอยู่กับลมหายใจได้เพราะมันจะไปคิดถึงความเจ็บแล้วก็เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือเกิดความอยากที่จะลุกหนีจากความเจ็บไปเราก็เปลี่ยนวิธีแทนที่จะดูลมแล้วก็ลองมาใช้การบริการพุโทโธพุโทโธแทนหรือการใช้บทสวดมนต์อิติปิโสไปก็ได้เพื่อที่จะดึงจิตไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บ พอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บได้ความอยากลุกมันก็จะหายไปความอยากให้ความเจ็บมันก็หายไปผลที่เกิดจากความอยากคือความไม่สบายใจทรามานใจก็จะหายไปมันก็จะทําให้เรานั่งต่อไปได้ดเราไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บขอ ง, า ง, องทางร่างกายเราทําดูยันี้ต้องถึงยังรู้คําถามจากคุณนัทธนานครับจิตสุดท้ายก่อนออกจากร่างหากกําหนดได้ควรนึกถึงสิ่งใดคะ อ๋อก็นึกถึงนิพพานเลยถ้ า, ากำหนดได้แต่ถ้ากำหนดไม่ได้ก็ต้องไหวให้เป็นไปตามบุญตามกำลังของบุญหรือบะที่จะเป็นตัวกำหนดให้เราคิดไปเองงนั้นตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้คิดไปสู่ความสงบความนิ่งของพระนิพพานได้ถ้าเราฝึกไว้ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเราก็จะทำได้เหมือนกับที่ มีการซ้อมทำอะไรต่างๆเวลาเล่นละครเขาต้องซ้อมกันก่อนใช่ไหมจะเล่นบท น, นี้เล่นยังไงคนนี้เล่นบท น, นั้นเล่นยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ขึ้นเวทีแล้วก็มาแสดงกันในตอนนั้นเลยโดยที่ไม่ซ้อมกันอันนี้ก็เหมือนกันการที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ก็เป็นการซ้อมจิตใจของเราให้ไปสู่ทางที่ดีให้สู่ที่สงบที่ปราศจากความทุกข์ พอเวลาเราตายไปล้วก็สั่งให้จิตไปอยู่ตรงจุดนั้นได้เพราะเราซ้อมมาแล้วงั้นก็ลองมาฝึกมาปฏิบัติทำคือมาถือศีลแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกเจริญปัญญาเพื่อซ้อมสอนใจให้อยู่ในความนิ่งความสงบเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้อยู่ตรงจุดนั้นพอเวลาตายก็สามารถจะทําได้ ไม่ซ้มไจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะไปทำจิตอย่างไรวางจิตอย่างไรจิตก็จะวุ่นวายไม่มีความสงบมีแต่ความทุกข์คำถามจากคุณจ h เอวครับการถือศีลแปดมีข้อการไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่เรายังสามารถนอนเตียงมีฟูกได้หรือไม่ครับหรือต้องย้ายมานอนที่พื้นครับ คือกะว่าที่นอนสูงใหญ่นี้มันแปลตามตัวอักษรมากกว่าความหมายคือเตียงมโหลานเข้าใจไหมคือเตียงสานะําราญวิธง่ายม่นจะมโหลานสาําราญมโหลานด้วยความสุขถ้าไม่สังเกตเป็นยูเตียงตาโรงแรมเราจัดให้มันมโหลานให้มันสาําราญให้นอนอย่างมีความสุขแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนนยิงเสอะให้นอนบนติ้กพื้นธรรมดา พื้นแข็งจะเป็นเตียงก็ได้แล้วจะเป็นพื้นก็ได้แต่เพื่อไม่ให้มันสบายจนเกินไปจะสามารถทําให้ร่างกายพักผ่อนหลั บ, ลบนอนได้และจะได้นอนไม่มากด้วยเพราะถ้านอนบนเตียงหรือพื้นที่แข็งที่ไม่ไม่สบายนี้จะนอนไม่ได้นานเพราะร่างกายได้พักผ่อนพอก็จะเกิดขึ้นมาแล้วอยากไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูง หนาหนานุ่มนุ่มสบายผอนพับร่างกายได้พับผ่อนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกก็ขอนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงเลยทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะนำไปใช้กับการปฏิบัติธรรมนี้พระเจ้าถึงสอนให้นอนแบบเรียบง่ายนอนแบบไม่ไม่หรูหราไม่ไม่สุขสบายจนเกินไปก็นอนแบบนอนกับบนพื้นแข็งแข็งนี่ อาจจะปูเสือปูผ้าบ้างได้เพื่อการความเย็นอะไรแต่ไม่ต้องการให้เป็นเรื่องของความสบายความสุขความสบายคาถามจากคุณลัตตดศรีครับจะทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าจิตไปเกิดใหม่คะและจิตกับกายแยกกันอย่างไรคือมันต้องอาศัยการการวิเคราะห์หลายอย่างด้วยกันมันถึงจะเข้าใจอันแรกก็คือต้อง แยกจิตออกจากกายให้ได้ก่อนด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธินี้เวลาจิตสงบนี้จิตกับร่างกายจะแยกออกจากกาันเราจะได้รู้ว่าออกร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละส่วนหลังจากนั้นเราก็มาอานุมาได้ว่าเวลาร่างกายตายไปจิตจะจิตก็ต้องไปไปไปหมักจะไปต่อจะไปไหนก็ถ้าจิตยังมีความอยากอ ย, กอยู่อย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้น ความอยางนี่ก็จะผลักดันให้จิตไปหาร่างกา ย, ยก็จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบนุ่นสารสนิสุดตามตามความอยากต่อไปมันต้องใช้ใช้ทั้งสองสว่วนใช้การแยกแยะด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ดูว่าจิตของเราอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่ไม่ได้นี่ไหมตอนนี้ให้รับดาวนี้อยู่ในบ้านให้เครียดกัน ยังอยากจะออกไปห า, าราญยศเสริญสุขกันอยูนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่พาให้จิตไปไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดันั้นมันจึงต้องต้องทําทั้งสองอย่างต้องต้องปฏิบัติสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้จิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้ก็คือความอยากในรางยศเสริญสุขสุขทางตาหงจมกเนิ่นกาย เป็นทำให้เรานี่อยู่อยู่บ้านไม่ติดกันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเครียดอึดอัดเพราะอยากจะไปหาราบยศเสระเสริญสุดกันนั่นเองไอ้ตัวนี้แหละเป็นที่ตัวที่จะไปทําให้จิตไปรับร่างกายใหม่หลังจากที่ร่างกายเก่าตายไปหรือทําให้เรามาได้ร่างกายในปัจจุบันนี้เพราะว่าร่างกายของเราในอดีตมันตายไปแล้วจิตมันก็เลยผลักดันให้เรามารับร่างกายในปัจจุบันนี้ แ้วมันขอร่างกายในปัจจุบันนี้ตายไปมันก็จะดันให้เราไปรับร่างกายอันใหม่ต่ออังนี้มันต้องมีทั้งสองส่วนนี้ถึงจะเข้าใจคําถามจากคุณดวงพรครับการรัราการขอครั อ, อาจารย์ครับขอถามค่ะไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ใช้แต่ลูกได้ดูแลพ่อแม่ในเรื่องการกินอยู่เรื่องการเจ็บป่วยแทนลูกจะบาปไหมคะไม่บาปหราเป็นบุญ การให้ไม่จําเป็นว่าจะรับเป็นเงินทองอย่างเดียวนะให้การเลี้ยงดูมันก็ทำเสียงเงินทองเสียเวลาเหมือนกันทนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนนี่ที่เป็นลูกนี่อาจจะมีมีสถานะไม่เหมือนกันบางคนไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่แม่แต่มีเงินก็ฝากเงินทองให้พ่อแม่จ้างเด็กหรือจ้างใครมาดูแลแทนก็ได้หรือบางคนไม่มีเงินทองไม่มีงานทํามีเวลาอยู่กับพ่อแม่ได้ ก็อยู่ดูรับใช้พ่อแมาไปขนะถ้า็ถือว่าได้ทำบุญเหมนกันไม่ได้ไม่เป็นการเป็นบาปแต่อย่างใดภาษาคุณชมพูครับป้านครับสงสัยว่าพบธรรมดาไม่สามารถสร้างบุญใหม่จริงหรอคะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นพบที่มันสุขสบายเป็นพบที่เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนี้คนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่จะไม่ไปทํางานน้ะ ไปเที่ยวอย่างเดียวการการไปอยู่พวกของเทวดาก็ไปเหมือนการไปเที่ยวต่างประเทศเทวดานั้นจะไม่ไม่ทํางานกันยกเว้นคนบางคนที่ยังตื่นวิสัยทํางานอยู่คือไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีเวลาว่างก็แวะไปทํางานด้วยก็มีคือพวกที่ชอบไปฟังเทศสั่งมถเทวดาบางพวกนี่ชอบฟังเทศสังมถพอรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันต์ที่แสดงธรรมบทเทวดาได้ เขาก็จะไปหาไปคอยฟังเทศฟองธรรมจากพระพุทธเจ้าจากผ้าหันเหล่า น, นั้นตรงนี้เขาก็สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้เช่นแม่ของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นผ้าโสดาบันขึ้นมาหรหือถ้าสูงกว่านั้นก็อาจจะบรรลุเป็นผ้าหันในชั้นชั้นเทวดาก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติถึงชั้นนั้นได้คำถามจะคุณตรงฤทธ์ครับสอบถามพระอาจารย์ครั บ, ส, บ, รรบสวรรค์กับโลกอยู่ไกลกันหรือเปล่าครับ อยู่คนลมิติมันไม่มีเครื่องวัดด้วยะระยะทางแต่ว่าใกล้กันก็ได้เพราะาจิตกับกายจิตกับร่างกายมันก็เหมือนกับเป็นฝ้าแฝดกันแต่พูดตามความจริงแล้วมันอยู่คนละมิติกักนร่างกายนี่อยู่ในโลกกธาตุโลกของเลนธาตุก็คือดินน้ํำลมไฟส่วนจิตนี้อยู่ในโลกทิพย์จิตเป็นโลกที่ไม่มีไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกาย อยู่กนมิติแต่เชื่อมต่อด้วยมิ ญ, ญญาณของจิตมาเกาะ ท, ท, ที่ตาหงจมูนกนิ้วกายแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนก็เป็นฝาแฝดอยู่อยู่ติดกันแย่อยู่กนลมิติกันเวลาเกิดอะไรขึ้นกับทางร่างกายหรือเกิดกับโรคที่เราอยู่ใบเนี้ยถ้าเกิดโรกใบ น, นี้เกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาตกจะเจอือายไปหมดเนี่ยจิตก็ยังอยู่มันเดู่เพราะจิตไม่ได้ถูกกระทบจากการการ ทำลายของโลกนี้ของจักรวาล น, นี้ก็ได้เพราะจิตอยู่กับความิติเนี่ยไม่ต้องกลัวจิตนี้ไม่มีวันตายคนที่รู้ความจริงนนี้แล้วไม่ค่อยกลัวตายใ้ะเพราะรู้ว่าตนเองไม่ได้ตายเหมือนกับคนที่นั่งดูภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์กับคนดูนี้มันอยู่ความิติกห็นไหมภาพยนตร์ยิงการตูนตามระเบิดกันตูนตามตายกันเจนเบื่อในจอภาพยนตร์แต่คนที่นั่งดูนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหม นั่นแหะจิตกับร่างกายก็เหมือนกันอยู่คนละมิติจิตเปเหมือนผู้ดูภาพยนตร์ร่างกายนี้เป็นเหมือนน้องภาพยนตร์เหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ไม่ได้รกระทบกับคนดูคือจิตเลยแต่จิตหลงในจิตคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยหวาดเสียวตื่นเต้นไปกับความเป็นความตายของร่างกายขึ้นมาแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้แยกแยกจิตออกจากร่างกายนี้แล้ว จะไม่มีความรู้สึกหวาดกรัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะไม่ได้เกิดขึ้นกไม่ไปกระทบกับจิตใจแม้แต่นิดเดียวจิตเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์ร่างกายเป็นเหมือนคนเล่นภาพยนตร์ร่างกายจะต้องโดน ห, หน่ๆต้องตายนหน่ๆวันใดวันหนึ่งแต่จิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเพียงจะดูร่างกายตายไปเหมือนกับดูภาพยนตร์ดูตัวแสดงของเราตาย คำถามจากคุณอ้อยใจครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะก่อนสวดมนต์ทุกครั้งจําเป็นไหมคะต้องสวดบทชุมนุมเทวดากราบขอบพระคุณค่ะแล้วแต่เรามันจะสวดบทไหนก็ได้ตามใจแต่ถ้าเราไปอยู่กับสำนักไหนเขาสอนให้ทํำยังไงก็ต้องทำตามเขาเท่านั้นเองแต่อย่าไม่ไปเป็นแกะดําเวลาสวดกับกับบูกับคณ ะ, ะนี้เขาสวด ย, ย่างไรก็ต้องส ว, สวดตามเขา แต่ถ้าเราอยู่ตามลำพังนี้เราจะเลือกสวดมนต์ไหนก็ได้ไม่สวดก็ได้นั่งสมาธิ ไ, ไปเลยก็ได้ดีกว่าสวดมนต์สิถ้านั่งได้ถ้านั่งไม่ได้ก็อาศัยการสวดมนต์กล่องใจไปก่อนแต่ควรจะนั่งต่อหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วเพราะการสวดมนต์นี่เป็นการเตรียมใจให้นั่งสมาธิได้นั่นเองง้นพอเราเตรียมใจนั่งสมาธิแล้วก็อย่าไปเลือกพอสวดมนต์เสร็จก็อย่าเลือกสวดมนต์เสร็จก็ต้องนั่งนั่งสมาธิต่อถึงจะถูก สุขหลักของการสวดมนต์ถึงสุขหลักของเหตุผลของการสวดมนต์สวดเพื่อกล่อมใจให้พร้อมที่จะนั่งสมาธิได้คําถามจากคุณศิีตินารีครับพระอาจารย์คะหนูเห็นกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราหนูควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเห็นจิตไม่ใช่เราคะก็ปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนนะเห็นได้เห็นได้แต่ปล่อยได้หรือเปล่ามันมันต่างกันนะ เห็นด้วยความคิดกับเห็นด้วยความจริงมันไม่เหมือนกันแต่เนด้วยความจริงนี้จะต้องไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไายได้ป่วยความตายของร่างกายเลยเช่นถ้เกิดไปหาหมอไปตรวจถ้าหมอบอกคุณเป็นมะเร็งนะดูที่ว่าจิตใจเราเป็นยังไงถ้าเดือดร้อนอุ่นวายขึ้นมาแล้วแสดงว่าไม่ได้ป่อยยังป่วยยังยึดยังติดไม่เป็นของเราอยู่ถึงน่าจะเห็นจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเฉั้นเห็นแบบนี้ไม่พอต้องเห็นแบบว่า รู้ว่ามันไม่ใช่เราเวลามันจะเป็นโรคภายแค่เจ็บอะไรก็เฉยได้ถ้าเฉยไม่ได้นี่ก็แสดงว่ายังยังไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านอย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาทางจิตเลยเอาพัญหาทาร่าง ก, กายให้ได้ก่อนเมื่อปล่อยวางร่าง ก, กายแล้ค่อยมาจัดการกับการยึดจิตจิตใจวิธีวิธีปล่อยจิตใจตอบเผื่อไว้ก็ได้เมื่อคี้ก็ถามด้วย ก็ให้จิตเป็นผู้รู้เฉยๆอย่าไปเป็นผู้มีปฏิบิิยากับสิ่งที่รับรู้ใครด่าก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจถ้าโกรธก็เสียใจก็สแสดงว่ายังมีตัวตนอยู่ในจิตนั้นแต่ถ้าก็ด่าแล้วเฉยได้ยินสบายด่าก็ด่าไปชมก็เฉยบ่อยก็ชมไปอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการตัดตัวตนในจิตออกไปได้คือไม่มีตัวตนมารับรู้ไงเป็นแต่ตัว ตัวรับรู้เท่านั้นคือตัวจิตผู้รู้แต่ไม่มีตัวตนในจิตนั้นแต่ถ้าไปรับรู้แล้วดีใจเสียใจไปรับชังโกหลงนี่ก็แสดงว่ายังมีตัวตนจิตระดับนี้ก็พระอนาคามีครับอาจารย์ขึ้น ไ, ไปแล้วต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนอครับคำถามทุ่คุณพีรวัตครับ ขอความเมตตาพระ อ, อาจารย์ครับคนที่ติดในรูปติดในโลภะมีโทสะควรพิจารณาธรรมหรือระลึกสิ่งใดเป็นสารณะเพื่อให้บรรเทาเบาบ า, างลงได้ครับคิดถึงความไม่เที่ยงก็ได้วาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานี้มันจะสวยงามขนาดไหนวันใดต่อไปมันก็ต้องเหี่ยวเหมือนดอกไม้ดอกไม้เวลามันบานมันก็สวยงามแต่พอเราซื้อมาปักไว้ในใจกันได้ไม่กี่วันมันก็เหี่ยวเช้าไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่มันเหมือนกับดอกไม้เพียงแต่ว่ามันมันเหี่ยวช้าขึ้นเร็วเท่านั้นเองคนอาจจะต้องใช้เวลาแบยี 20, ่สิบสามสิบปีดูพ่อแม่เราสิพ่อแม่เราเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ก็เราที่เราเห็นในวันนี้หรอกตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเรานี่ยเขาก็หล่อเขาก็สวยไรใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปร่างกายมันก็เหี่ยวมันก็เช้าเหมือนกับดอกไม้ทุกอย่างมันเหมือนกันหมด ของอะไรที่เราซื้อมาใหม่ๆนี่มันเห็นหน้าหน้าดูน่าชมน่าได้นันบ้านเอยรถเอ๋ยอะไรเอยแต่ลองใช้ไปสักสิบปี20สิบ ป, สบปีสามสิบปีก็ไม่อยากจะใช้มันแล้วสิเพราะมันเก่าแล้วต้อ ง, งมองนึกถึงสภาพของความเสื่อมของสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะลดละความโลภความอยากในสิ่งต่างๆได้คำถามจากคุณ a อ g e l ปุ้ยครับ อาจารย์ถ้าเราจะไปดูสิตบุรีจะต้องปฏิบัติและสร้างบุญอย่างไรคะตอนนี้ถือศีลห้าทุกวันและบวชในในและถวายปัจจัยสร้างบุญอยู่ประจำค่ะแบบโอนเงินทาบุญให้ทานกับสัตว์เลี้ยงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเช้าเย็นค่ะสวดสมมติว่าสวรรค์มี6 ก, กชั้นนะสมมติว่าสวรรค์ที่มีหกชั้ น, น, นแล้วก็บุญที่เราทนานี้มันก็แบ่งเป็นหกหกขั้นด้วยกันเอ สัดส่วนของเงินที่เราทําไว้สมมว่าเรามีเงินอยู่อยู่ร้อยบาทเนี่ยเราก็ต้องแบ่งไว้เป็นหกหกหกส่วนด้วยกันถ้าเราทำหนึ่งในหกเราก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าเราทำสองในหกเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สองถ้าเราทำหกในหกหมดเลยเอี่ยพระพุทธเจ้าหรือพวกที่ไปบวช น, นี่เขาทําหมดเลยในท้าท้ายเขาสละเงินทองยกให้คนอื่นไปหมดเลย อันนี้เขาก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดนี้เราไม่แน่ใจว่าดุสิตนี้อยู่ชั้นไหนชั้นสามชั้นสี่อันนี้ต้องไปดูชื่อของมันอ่านดูสวรรค์ในหกชั้นด้วยกันมีตั้งแต่าดาววันเดองดุสิตมียมมีอะไรจนถึงขั้นขั้นที่หกก็ขึ้นสูงต่ำก็อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์ที่เราเสียสละให้แก่ผู้อื่นไปถ้าเราเสียสละหนึ่งในหกเราก็จะได้ชั้นที่หนึ่ง ถ้าเสียสละหกในหกเล ย, เลยมีสละหมดเลยไม่เอาไม่มีเอาไม่มีสมบัติจะอยู่แบบขอทานอยู่แบบฆาด เ, เราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์นี้เป็นเรื่องของทานเลยใช่ไหมครับอาจารย์ทานกับศีลด้วยถ้าทำทานแล้วไม่รักษาศีนก็ยังต้องไปนับผ้นอาจจะไปเกิดทำทานแต่ ยังยังยังรากขโมยอยู่ตายไปอาจจะไปเกิดเกิดเป็นหมาสวยๆที่เราเห็นกันทุกวันเนี้ยตัวหมาสวยๆนี้ชาติก่อนเขาทำบุญเยอะแต่เขาก็ขโมยเงินทองขโมยข้าวของอ่าขอเขาก็เลยไม่สามารถไปเป็นเทวดาได้เขาเลยต้องไปใช้กรรมของการทําบาปของเขาแต่อา น, นิส น, นิสัยอาศัยอนิสงค์ของบุญที่เขาทําไว้เยอะเลยทําให้เขาเกิดเป็นสัตว์ที่สวยงามรูปร่างหน้าตาสวยงามท่ารัก ยังมีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างศพอย่างสบายหมาบางตัวนี่อยู่ดีกับคนใช้คนในบ้านใช่ไหมใช่ครับบางทีไปจ้างคนใช้ว่าเลี้ยงดูหมาเสียด้วยซ้ําไปนั่นแหละเพราะคนใช้ไม่เคยทําบุญเหมือนกับหมาถึงแม้นคนใช้จะรักษาสีหน้าได้แต่คนใช้ไม่ได้ทําบุญก็เลยต้องมาเกิดเป็นคนใช้แต่หมานี่มันมันทําบุญเยอะแต่มันก็ไม่รักษาสีหน้า มันก็เลยมาเกิดเป็นหมาแต่เป็นหมาที่น่ารักที่สวยงามที่เจ้าของเอ็นดูเลยไปจ้างคนมาเลี้ยงดูมันอีกทีนีงครั บ, รบงั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์ น, นี่ต้องทำทั้งสองอย่างต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญให้มากๆครับคำถามชะกคุณพรมพรครับกลับเรียนถามาอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีเจตนาที่จะช่วยเหลือสัตว์แล้วด้วยความไม่รู้ทาให้สัตว์เสียชีวิต โยมไม่สบายใจมีวิธีชดใช้อย่างไรได้บ้างเจ้าคะ่ะหรือจะติดกรรมกันไปอีกกับขอพระคุณเจ้าคะ่ะเอถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่ทําร้ายเอนเนี่ยมันไม่เป็นกรรมไม่เป็นเวรใดๆแต่ก็เป็นการผิดพลาดเหมือนเป็นอุบัติเหตุซึ่งม า, าจจะกลับมาเกิดกับเราก็ได้อาจจะมีคนอื่นรังดีกับเราแต่ทําให้เราเสียชีวิตได้ก็มีอย่างวันก่อนนี้มีญาติโยมคนหนึ่งอยากจะมาช่วยล้างเท้าให้เราครับ เขาไม่รู้จัก ว, วิธีเปิดก็เขาเปิดแบบแรงสุดๆฉีดทาให้จีวรเราเปียกอะไรอย่างเงี้ยเขามีเจตนาดีแต่เขาไม่มีความอความรอบคอบเขาก็เลยไปทําสิ่งที่เสียหายแทนที่จะทําสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราก็ถือว่ า, า จ, จะเป็นกรรมของเราที่เราเคยอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ช่วยแบบไม่ดีคือไปช่วยเขาแต่กลับไปทําความเสียหายให้กับเขาส่ าการไม่รู้จักวิธีทาที่ถูกต้องมันก็อาจจะกลับมาย้อนกลับมาหาเราได้ก็ต้องยอมรับทำใจไปบ้ก็กันแต่เรื่องเวรกรรมคือมันสิสัสตว์ตัวนั้นเขาคงยังไม่มาเกลียดชังเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาไม่มีการจองเวรจองกรรมคันคำถามจากคุณสัญญาครับ เราต้องใช้หลักธรรมไหนดีคะสำหรับเจอเพื่อนที่ต้องทำงานด้วยการที่ทำให้หน้าเบื่อกัอบทุกวันพยายามทำใจหลายครั้งแล้วคะ่ะว่าทำใจเฉยๆเลยทำใจเฉยๆเขาจะเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่อะไรของเราเราก็ทำของเราไปอย่าอย่าไปส่งจิตไปหาเข า, าเวลาเจอเขาก็พยายามถ้าใจไม่เฉยก็ท่องท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ คำถามจากคุณวีระครับกลาธรรมะสการพระอาจารย์สุชาติครับเตียนถามว่าใจไม่ทุกข์กับโทสะยิ่งเห็นยิ่งโกรธยิ่งปฏิบัติเจอคนทำไม่ดีทำชั่วๆแล้วมาพานใส่เราเรายิ่งโกรธยิ่งเกลียดครับทำใจไม่ได้สักทีก็ต้องฝึกสตินี่แหละพยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ถ้าใจมีพุโทโธใจมันจะนน่งได้เวลาใครทาอะไรไม่ดีเราก็จะเฉยได้ นั่นระยาหมฝึกเติหมันฝึกพื้นทอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณใบชาครับกาเปียนถามค่ะจิตมีดวงเดียวไหมคะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่มีดวงเดียวแต่จิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จิตดวงเดียวนี้สามารถเปลี่ยนอารมณ์ในจิตนี้เปลี่ยนได้ทําให้เหมือนกับจิตนี้เป็นเป็นคนละดวงไปเช่นจิตวัดเบิก บ, บานจิตเศร้าหมองมันก็จิตดวงเดียวกัน แต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยบางทีมีเหตุปัจจัยอะไรมากระทึกปัจจิตทําให้เบิกบานมันก็เบิกบานมีเหตุปัจจัยนั้นมันก็ะทึกทำให้มันเศร้าหมองมันก็เศร้าอได้แต่เป็นดวงเดียวกันเนี่ยเหมือนไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามีหลอดหลอดไฟอันเดียวกันแต่เราสามารถเปิดและปิดมันได้เปิดมันก็สว่างขึ้นมาปิดมันก็มืดลงไปจิแล้วก็เหมือนหลอดไฟเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี okay. ่ยนมา คำถามจากคุณดีดีไทยครับการรักษาศีลห้าสำคัญไหมคะถ้าคาระวะที่อ้างตนจบกิจแล้วคือบรรลุธรรมแล้วมาเป็นครูสอนธรรมะแต่ยังผิดศีลข้อสามีภรรยาน้อยและลูกศิษย์ที่ยังศรัทธาอ้างว่าถ้าครูสอนธรรมะสอนให้หลุดพ้นบรรลุธรรมได้แม้เขาจะผิดศีลก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราส่วนคนที่เลิกศรัทธาก็ถือว่ายึดติดในตัวบคุคคลไม่ได้ยึดธรรมะขอให้พระอาจารย์แวตาชี้แนะหน่อยคะ่ะเกิร มันก็มันก็พูดกันไปก็ถีงกันไปถีบกันมา ค, คนที่จะสอนผู้ได้นี้ต้องเป็นคนที่สอนด้วยทั้งวาจาและพฤติกรรมถึงจะน่าเชื่อถือกว่าครักว่าคนที่สอนเพิ่ววาจาแต่พฤติกรรมนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ที่วาจาเช่นมีสุภา ษ, ษิตว่าแม่ปู่สอนลูกปู่เคยได้ยินนิทานไนะ้ยแม่ปู่เห็นลูกเดินเฉไปเฉยมากบอกลูกเดินตรงๆไม่ได้เนอะ เดินเฉไปเฉยมาไม่สวยนะแต่เวลาแม่เดินใัง้งแมเดินยังไงะม่กนเดินเฉยไปเฉยมาแล้วนูกมันจะจะฟังแม่หรือเปล่าหรือจะดูพฤติกรรมของแม่กันหลักอาเหมือนกันการสอนนี่เราจะดูพฤติกรรมของคนสอนเป็นหลักมากกว่าดูคำพูดของเขาอย่างมีภาษาฝรัง่งเขาพูดว่าดูแอสไ a เซ่ต้ d นดูแอสดูอันนี้ไม่ถูกใช่ไหม คามจริงต้องดู as I do not do as I say ครับยังคำพูดถ้ามันไม่ตรงกับการกระทํำนี่มันไม่มีมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจา้านี่ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านสอน น, น, อ น, อ น, อนี้เป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติทุกอย่างทุกคําพูดที่ท่านสอนออกมานีนเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติทั้งนั้นดังนั้นมันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ว่าทาให้คนมีความเชื่อ mm hmm. มั่นใจ แต่คนที่แบบว่าอยาขโมยเงินของคนอื่นเนี่ยแล้วตัวเองไปขโมยเงินของคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นจะเชื่อเปล่าคนก็ถ้มันขโมยได้กูว่าขโมยได้ครัเนี่ครับคำถามจากคุณกิติกาครั บ, า บ, รบกาลนัศการพระอาจารย์ค่ะการทําบุญเพื่ออุทิศแก่ผู้วายชนต้องรีบทําภายในหนึ่งร้อยวันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะคือการทําบุญนี่มันควรจะทาทํา ทำทันทีจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้พรุ่งนี้เราจะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเป็นถ้าวันนี้เรามีโอกาสทําได้ทําได้เลยไม่ต้องรอให้ร้อยวันหรือกี่วันมันไม่เกี่ยวกันส่วนผู้ที่ผู้ที่ตายไปนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอรับบุญของเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขามีบุญมากเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญเช่นถ้าเขาตายแล้วเขาไปเป็นเทวดานี่เขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญอะไร ดังนัถ้าเราทําก็ควรจะรีบทําเสียถ้าเรามีโอกาสที่จะทําทได้เพราะเราเดี๋ยวเกิดที่เราเป็นอะไรไปขึ้นมาหรือเกิดเงินเราหมดขึ้นมาแล้วไม่สามารถทํามุญได้มันก็จะไม่ได้ทําังั้ถ้ามีโอกาสทําได้เมื่อไหร่ทําเสียเลยเนี่ยมีคําพูดหรือคําสอนท่านย่าบอกว่าเมื่อคิดที่จะทําบุญถ้าทําได้ทําเลยอย่าดีรอเพราะเวลามันข้างหน้ามันไม่แน่นอน คำถามจากคุณเจนเล็กครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเราทํางานเต็มที่แต่ผู้ร่วมงานยังทํางานไม่เต็มที่เราควรวางใจอย่างไรดีคะที่ไม่ให้เกิดโถาศก็เขาและเราเป็นคนละคนเนี่ยเวลนเรากินกับเข้ากินเราไปยุกเขาเปล่าเขาจะกินอะไรเขาจะกินมากกินน้อยก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็กินของเราไปงั้นก็ให้หมออย่างนี้ก็แล้วกันกนะครับเวลากินอาหารเวลาเราะแต่งเนื้อแต่งตัวเขาจะแต่งยังไงเขาเรื่องของเขา ทำไมเราต้องไปดูเรื่องการทํางานเพียอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่อยากจะทํามากกว่าเขาเพราะอย่างเงี้ยเราะเราคว่าจะเสียเปรี่ยนถ้าเราทํามากกว่าเขาแล้วได้เงินเดือนเท่ากันในเรื่องของเสียเปรี่ยนเราก็เลยไปโกรธเขาอย่าไปโกรธเขาเราอย่าไปสนใจเขาอย่าไปวัดเขาวัดที่เราดีกว่าเราทํามากเราก็ได้เราก็ไ ด, ไ ด, ได้ได้ความดีมากเราทํำน้อยเราก็ได้ความดีน้อยเราดูตรงนี้ดีกว่า คือได้ความสุขมากถ้าเราทำมากเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่เราทำให้กับผู้ที่เขาจ้างเราถ้าเราทำน้อยเราอาจจะรู้สึกมีความสุข้อยว่าเราอาจจะทาไม่เต็มที่ไม่ไม่สมกับเงินทองที่เขาให้เรามาให้มองตรงนี้ดีกว่าอย่าไปมองคนอื่นนะคนอื่นก็จะทามากทาน้อยก็เรื่องของเขาเรามองที่ตัวเราว่าเราทามากเราทำน้อยถ้าเราทำน้อยก็ควรทำให้มากทำให้เต็มที่ทาให้มันสมควรแก่ เัินทองที่ค่าจ้างที่เขาจ้างเราดีไปแล้วเราจะไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่กังวลกับคนอื่นไม่ต้องไปโกรธเขาให้เสียเวลาครับคําถามจากคุณสุวิพรครับเขอสอบถามพระอาจารย์เรื่องการเดินครัเวลาที่เดินดูกายโดยนึกเวลาเท้าซ้ายเดินนึกเท้าซ้ายเดินเท้าขวาเดินก็นึกขวาแต่เดินไปสักพักคําที่นึกซ้ายขวาเปลี่ยนเป็นพุโทโธแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดหรือเปล่าครัก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่า มันเป็นคนที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าะแต่ถ้าสามารถเปลี่ยนในพุโทโธแล้วสามารถควบคุมความคิดได้ก็ใช้ได้เพราะการใช้พุโทโธก็ดีเด้อยการดูเท้าก็ดีนี่ก็เพื่อบังคับจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินไปแล้วเราอาจจะเบื่อการดูท่าเราจะกลับมาเป็นพุโทโธก็ได้ถ้าตามใจที่ความคิดของเราไม่ไม่ไปคิดเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ได้ก็ใช้ได้ คำ ถ, ถามจากพระที่ร้อยปีจั ก, กริตครับการดำรงอยู่ด้วยความไม่เที่ยงนี้ควรดำเนินชีวิตอย่างไรครับหมายถึงคารวาสก็คือการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆว่ามันจะเป็นเหมือนกับวันนี้วันนี้สิ่งต่างๆทั้งตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างนี้พรุ่งนี้มาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้ก็ได้งัเราต้องพยายามฝึกฝนจิตใจเราให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้วันนี้อาจจะทํางานที่นี่ พรุนี้เขาอาจจะให้เราออกจากงานก็ได้เราก็ต้องเตรียมฝึกเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจไว้สำหับการรับสภาพของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที่ถ้าเราพร้อมเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์อาจจะเดือดร้อนทางการการทางร่างกายทางการทําอะไรมันอาจจะต้องไปเปลี่ยนงานใหม่อะ้รอาจจะติดขัดบ้างเนือยุ่งยากบ้าง แต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะเฉยๆ ถ, ยนนยถึงเวล า, าต้องเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนหน้าที่ก็เปลี่ยนอันนี้จัดใจเราก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ต่างหากที่เราต้องการจะรักรษาคือใจของเราให้เป็นปกติด้วยการคิดอยู่เรื่อยๆเต ร, ร, รียมตัวอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้พรุ่งนี้กับวันนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะ คำถามจากคุณเอีโฟนครับกับพระอาจารย์ข่าลูกชายไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะเห็นคนในปัจจุบันนี้ทำชั่วแล้วได้ดีร่ํารวยจะบอกลูกอย่างไรดีคะคือความดีอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือจนความดีนี่มันอยู่ที่ความความดีของใจแล้วก็เป็นความดีที่จให้ผลกระจคืออะไรก็คือให้ความสุขใจนั่นเอง คนที่ทํำชั่วแล้วร่ารวยนี่จิตใจเขาไม่สุขเพราะใจเขาจะต้องยึดตกกังวลว่าใครมีไปแอบติดกล้องไว้ที่ไหนหรือเปล่าถ <c oughs> ้าเกิดใครเอาคลิปออกมาเผยแป๊บนี้คนที่รวยนี่อาจจะกลายเป็นคนจนกลายเป็นคนติดคุกไปก็ได้อาจจะถูกยึดทรัพย์ยึดยึดอะไรไปก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะคนที่ทํำชั่วนี้มักจะมีความไม่สบายใจมีความกังวล แต่คนที่ทำความดีนี้จะไม่มีควา ม, ม, ม, ว, ามา ว, วิตกกังวลเพราะไม่มีความเสียหายไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครไม่มีโทษกลับมาหาเรทําความดีแล้วใจจะสบายทำความช่วยแล้วจะใจจะไม่สบายอันนี้คือผลของการทำความดีช่วยบอกเขาให้ดูตรงนี้แต่ถ้าต้องการร่ารวยนี้รวยได้สองวิธีรวยด้วยความดีก็ได้รวยด้วยความช่วก็ได้ เช่นบางคนขยันทํางานฉลาดรู้จักลงทุนซื้อหุ้นที่ที่ขึ้นพุ่งแรงก็รวยขึ้นมาได้นะอันนี้เขาก็เขาก็ทําไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปเขาทําความดีเขาก็มีความสุขแล้วก็ได้มีความร่ํารวยพร้ อ, อ, อมๆกันไปด้วยแต่คนที่ทําชั่วรล้วรวยนี่เขาได้ความรวยแต่เขาก็ได้ความไม่สบายใจติดไปกับ คำถามสจ้คุณตำนานความเชื่อหน้ารู้ครับการภาวนาที่ถูกต้องหลังจากสมาธิตั้งมั่นแล้วหนูพิจารณาจิตที่เกิดดับตามระบบของปฏิจจสมุปบาทที่มีทั้งสายเกิดและสายดับได้ไหมเจ้าคะยังไม่ควรครับการนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เน่งสมบไมใ่ให้ทิศตรงแต่งเินดาเพราะว่าเป็นการให้อาหารหรือให้พลังกับจิตใจเพราะเราต้องการที่จะสร้างอุเบกขาให้ อยู่นานๆภานยในจิตใจอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมัน่นหยุดคิดหยุดปุงแตกแต่พอจิตพอได้สมาธิจิตตั้งมั่นแล้วดึงจิตมาพิจารณานี้อุเบกขาที่จะได้มันก็จะหายไปนั้นราให้จิตออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาได้แต่อย่าพิจารณาตากที่นั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธิต้องการหยุดคิดต้องการให้จิตนิ่นงไปนานๆเพื่อ สร้างอุเบกขาสร้างฐานของจิตครูเบกขาให้มั่นคงให้แน่นนะแล้วแตพอจากสมาธิมาพอเริ่มคิดแล้านี้ก็เดึงมาทิศทางปฏิจจส ม, มุปบาทไดค้ครับคําถามจากคุณยลพรครับพระอาจารย์เจ้าคะจิตออกมายืนตัวเราในขณะที่นั่งปฏิบตัติและบางครั้งจิตเดินนาหน้าเราอาการนี้หมายถึงอะไรเจ้าคะสาธุคะ่ะเป็นอาการปรุงแต่งของจิตนะเดี๋ยมันปรุงแต่งออกไปมันคิดออกไปอะไร จิตไม่สงแบแสดงว่าจิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วจะไม่มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาคํถาถามจากคุณทักษเวสครับผมบริจาคเลือดอยู่ตลอดบริจาคร่างกายอวัยวะเพื่อช่วยคนอื่นจะหลุดพ้นจากการเกิดตายไหมครับป้าอาจารย์ไม่พอหรอกเพราะว่าเน้นเป็นเพีงขั้นทางทั้งนี้นยังต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาวิปัสสนา จะหลุดพ้นจากการเกิดตายได้จากคุณฝนครับการธรรมัสการสอบถามค่ะการใส่บาตรกรวดน้ำเอ่ยบุญกุศลถึงผู้เสียชีวิตท่านเหล่านั้นได้รับจริงๆริงไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าท่านเหล่านั้นรอรับอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาตายไปจิตของแต่ละคนมีสถานภาพไม่เหมือนกันแ้่ยังเป็นสนภาพเป็นขอทานก็จะรับได้ สารภาพขอทานเขาก็จะรอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไปเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเช่นเป็นพวกเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญแต่ถ้าไปเป็นเปรตเนี่ยเขาเปรตที่จะต้องมาคอยรับส่วนบุญเป็นพวกเดียวเท่านั้นที่เป็นพวกขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณพวกอื่นนี่เขาไม่ได้เป็นขอทานอยพวกอื่นเป็นถ้าไปนรกเนี่เหมือนก็ไปติดคุกในนรกเป็นอสูรกายนก็เหมือนกัไปติด คุกอีกแดนหนึ่งคุกมีหลายแดนแดนที่เหี้ยมโหดก็มีแดนที่หวาดเสียวหวาดกลัวก็มีหรือใบเกิดเป็นเดราชานก็ไม่ต้องมารอรับส่วนมูลเพราะเดราชาญเขก็าสามารถหากินของเขาเองได้ไม่มีพวกเดียวคือพวกเปรตที่จะมารอรับส่วนมูลนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ที่ร้องรับประดานนี้ไปเป็นเปรต ห, หรือเปล่าถ้าไม่เป็นเปรตเขาก็ไม่มารอรับส่วน เราทําเผื่อไว้เท่านั้นเองเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วนี้อยู่ในสถานะหาค้าันใดเท่านั้นรับคําถามจากคุณชัยวัดครับการดูดวงมีผลอะไรไหมครับก็มีผลในความเชื่อของเราเลยถ้าเราเชื่อมัอนก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ไม่มีผลต่อจิตใจต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่ยังมีผลต่อชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือบุญกรรมที่เราทำนี่แหละ ที่เป็นมีผลที่แท้จริงอย่างอื่นนี้ไม่มีผลแต่ได้แต่ก็สามารถทําให้คนเชื่อได้แล้วจะเชื่อก็เชื่อได้แล้วก็อาจจะน้มน้าจิตใจให้เห็นดึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มาว่าเออกเป็นไปตามที่เราเชื่อได้ยังก็ไม่สามารถที่จะไปหักข้ามคนที่จะเชื่อเรื่องการดูดวงได้แต่ถามว่ามีผลไหมดวงชะตานไม่มีผลร สิ่งที่เป็นให้ผลให้คุณให้โทษกับจิตใจเราก็คือบุญและบาที่เราทำเช่นนั้นค้าถามจ้คุณพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานการทำบุญและการขอคำอธิษฐานตัวโยมเป็นตัวแทนคนในครอบครัวได้ไหมเจ้าคะบุญนี่ต้องทำของใครของมันแต่ถ้าฝากทำได้อยู่เช่นเขาไปวัดถ้าเราไม่มีเวลาไปวัดถ้าเราก็ฝากมันไปทำบุญด้วยได้อยู่แต่ต้องเป็นเงินของเรา จะให้เขาไปทำบุญด้วยเงินของเขาแล้วบอกให้เขาเอาคุณมาแบบให้เราอย่างนี้ไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณเจมส์เคพลอยครับขอความเมตตาท่านอธิบายคำว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยการกระทำเงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดจะมาอย่างคืนนี้โยมก็คิดจะมาฟังเพื่อนที่เยไม่รู้จักก็จะมาฟัง ยอ้ใจจะคิดว่าเป็นการบังเอิญที่เรามาเจอกันในการทำธรรมในตอนนี้แต่ความจริงมันมีเหตุมีปัจจัยให้เขามามีเหตุมีปัจจัยทําให้คุณมามีเหตุปัจจัยทําให้เรามาทําให้คุณหมอมาที่นี่เลยมันไม่ได้เป็นการบังเอิญเพราะมันเกิดจากความคิดของเราแต่ละคนคิดด้วยมโนกรรมความคิดคือมโนกรรมเมื่อคิดแล้วก็จะมีกายักรรมวิจิกรรมตามมาต่อไปองั้นในโลกนี้มีแต่กรรมท่านั้นน่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการด้วยการคิดด้วยการคิดทางจิตของเราแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดด้วยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆคําถามจากคุณอนุสรครับขอโอกาสขอรับภัยสี่อย่างในการภาวนาควรน้อมนําปฏิบัติเช่นไรถูกต้องตามหลักคําสอนขอรับไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรภัยสี่อย่างเพราะว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินี้มีห้าอย่างด้วยกันที่เป็นวันดวัหนึ่งคือความรังเลสงสัยในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำพระสมว่ารางเลสงสัยนี้ก็อาจจะทําให้เราไม่ทุ่มเท ต, ต่อการปฏิบัติอย่างเต็มที่ผลก็อาจจะไม่เกิดเราต้องมีความมั่นใจเชื่อ ม, มั่นในคำสั่งว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพุทโธก็ต้องทําตามนล้จิตก็จะสงบจิตก็จะรวมได้ ต้องเชื่อร้อซนแล้วก็ทําตามได้อย่างร้อร์ถ้ายังสงสัยอยู่ว่าต้องไปสอบถามกับผู้ที่รู้รู้จริงเห็นจริงไปสอบถามอันนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องอาศัยพระอารยสงสารหรือนนคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหาค้นหาอ่านให้จนเกิดความเชื่อมั่นได้อุปสรรคความก้าวหน้านี้ก็จะหมดไปอีการก็คือ อ, อ ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็เป็นอุปสรรคเราต้องตัดด้วยการถือสี่งแปลกอยากจะดูหนังก็ต้องไม่ดูอยากจะกินอาหารเย็งงนก็ไม่กินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ความขี้เกียจความร่วงเหงาหานอนก็เกิดจากการรับประทานมากเกินไปเราก็ต้องรับประทานถือสี่งแปลกนันกันรับประทานแค่เที่ยงวันก็่าถ้าเรามีความโกรธเราก็ต้องใช้ความเมตตาและรับความก ไอ้อภัยผู้ที่เขามาทำให้เราโกรธเพราะถ้าเราโกรธเราเราจะนั่งสมาธิไม่ได้ใจจะปกรธใจจะร้อนแล้วประการสุดท้ายถ้าใจเราฟุ้งซ่านชอบคิดเรื่อยเปื่อยเราก็ต้องเจริญสติฝึกหัดเจริญสติอยู่เรื่อยเรื่อยนี่คือนิวรณิภัยห้าประการที่ขวางการปฏิบัติของเราให้เจริญก้ามาเราก็ต้องแก้ทำลายมันให้ได้ คำถามจ้าคุณหนึ่งสี่ครับถ้าตั้งใจจะทําบุญตักบาตรแต่เอาไปไม่ทันพระฉันเราจะสามารถนํามาทานเองหรือเอาไปให้ผู้อื่นทานแทนได้ไหมคะกลัวผู้ที่ทานจะส่งผลเป็นเปรตค่ะถ้าเรามาทานเองเราก็ไม่ได้มไม่เป็นเปนนเรตว่าเป็นของของเราถ้าเราอยากจะได้บุญถ้าพระคั่นฉันเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นให้ลูกศิษย์ก็ได้ให้คนที่ก็ามาช่วยงานวัดกันนะหรือจะไปให้ใครที่ไหนก็ได้เห็นตอนนี้หมอหมอ การพยาบาลกําลังทํางานหนักก็เอาไปแจกหมอแจากพยาบาลที่โรงพยาบาลก็ได้ได ก, ก, ก็ได้บุญเหมือนกันทําบุญกับพระก็ได้บุญได้ความสุขใจอิ่ใจทาบุญกับคนอื่นก็ได้ความสุข ใ, น ใ, นใจอิ่ ใ, น ใ, นใจเหมนกันไม่ต่างกันคําถามจากคุณอภิดีครับากาพระอาจารย์ถามมีเพื่อนคนหนึ่งไม่มีความสุขกับงานอยากเปลี่ยนแผนกแต่ไปไปม า, มาเพื่อนบอกยอมอยู่ชดใช้กรรมอยู่ที่แผนกเดิมเพื่อนคิดถูกหรือเปล่าคะ ถ้าเขาสบายใจก็ถูกเพราะการกระทำนี้เราต้องการที่จะให้ใจเราสบายถ้าเราคิดอะไรแล้วเราทำให้เราสบายใจอันนั้นก็ถูกแต่กามสบายใจนี้ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนเสียหายของผู้รู้ต้องเข้าใจนะมาเอม คำ ถ, ถามจะคุณเมียวครับน้มัสการหลวงพ่อคะ่ะในเวลาเดินจงกรมกําหนดจิตตั้งบั่นแต่ร่างกายมีปัญหาเช่นจามีน้ำมูกจะต้องปล่อยให้ร่างกายเป็นธรรมชาติแล้วรู้อาการนั้นตามรู้หรือยุดหรือหยุดเดินแล้วทําความสะอาดแล้วจะนำสติเดินจงกรมต่อคะขอคําแนะนําด้วยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาไม่ใช่ะบาเวลามันเป็นก็ยอมรับสภาวะเวลานั้นไม่สะดวกต่อการนั่งสมาธิมาทำท่าที่เราจะทําได้มันแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลา มันเป็นตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นกรรมของเราที่เกิดมาเวลามานั่งสมาธิแล้วจะต้องมีอาการแบบ่นี้เกิดขึ้นเวลานั่งดูหนังฟังเพลไม่มีแค่ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิเลสสมาที่มาคอยขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราคําถามจากคุณอันมามังครับพระอาจารย์ค้าคนฉลาดเขาน่าจะเข้าใจในธรรมกันได้ง่ายแต่ทําไมเขาถึงไม่เลือกมาทางธรรมโดยเร็ว คิดว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทําให้เขามองผ่านความสุขทางธรรมนี้คือคนที่ฉลาดจริงๆนี่มีน้อยพระพุธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนฉลาดจริงๆนี่เหมือนเขาวัวส่วนคนคนฉลาดไม่จริงนี่เหมือนคนวัวมีเยอะแยะคนที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดจริงคนที่เข้าถึงธรรมได้นี่แหละยังถือว่าเป็นคนที่ฉลาดจริง เราอย่าไปคิดว่าเขาฉลาดทางโลกเราจะฉลาดทางธรรมเชืเรียนจบน้องเตอร์มานี้ไม่ไม่ไม่หมายความว่าเขาฉลาดทางธรรมคนที่ฉลาดทางธรรมนี่ยจะเป็นขอทานก็ได้จ่าคุณอ้อๆอครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะมีพระปฏิบัติดีปฏิบัตชิชอบเกิดไม่สบายขึ้นมาเราจะภาวนาโดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมช่วยให้ท่านหายป่วยได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของร่างกา ย, ยาท่านแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรไมันได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายเมื่อถึงเวลาที่มันจะเจ็บป่วยมันก็ต้องเจ็บป่วยเมื่อถึงเวลามันจะหายมันก็หายได้ดังนั้นปล่อยให้มันเป็นไปธาธตามธรรมชาติของร่างกายของเขาเถอะไม่ต้องไปวุ่นวายเว่าเราทําอะไรไม่ได้ คำถามจากคุณแอร์ครับกาพระอาจารย์ค่ะถ้าเราพบว่าแฟนเป็นคนคิดลบเห็นแก่ตัวเขาจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะอยู่ด้วยแล้วเหมือนโดนพลังลบด้วยค่ะก็อยู่ที่เขารู้ว่าเขาเขาคิดลบหรือเปล่าแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเขารู้แล้วเขาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ว่าเป็นความคิดพอคิดลบก็อย่าไปคิดมันหยุดคิดมันหันให้มันคิดไปทางบวกเสียเป็นการฝึกฝนเป็นวิธีใหม่เหมือนคนที่เคยถนัดขวาเนี่ย แล้วอยากจะไปเปลี่ยนเป็นการใช้มือซ้ายก็หัดใช้มือซ้ายแทนได้ต่อไปก็จะใช้มือซ้ายได้เมือนเรใช้มือขวาคําถามจ้าคุณโน้ตครับกาเปียนถามพระอาจารย์ครับเจ้ากรรมในเวรมีจริงหรือไม่ครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นป่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งเจ้ากรรมในเวรถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งหรือครับเคยเจ้ากรรมในเวรก็คือบุคคลที่เ้ามีความโกรธเกลียดเรา ที่เกิดจากการที่เราไปมีปัญหากับเข้ามาในอดีตชาติพอเรามาเจอกันเขาก็จะมาคอยหาเรื่องกับเราคอยมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเรา เ, เราก็เลยว่าคนที่เขาเป็นอะไรศัตรูเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเว คำถามจากคุณมาไล่ครับถ้าตั้งใจถือศีลแปดแปดวันแต่ทําได้แค่หกวันไม่ครบจะผิดไหมคะจะบาปไหมคะหรือจะมีข้อร้ายจากการถือศีลไม่ครบไหมคะไม่ผิดหรอกก็ได้ได้แค่หกวันนั่นเองถ้าสอบก็ทำข้อสอบได้หกข้อไม่สามารถทําได้แปดข้อนั่นก็ไม่ได้เต็มร้อยคะแนนก็ไม่ได้เต็มร้อย จากคุณละละวันครับการทําบุญถ้าไม่ได้ใส่บาตรแต่สดมน์นั่งสมาธิเจริญภาวนาอุทิศให้มารดาที่เสียไปายมารดาก็าจะได้รับบุญที่อุทิศให้ใช่ไหมคะคือเท่าที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาการจะอุทิศบุญนี้ต้องเกิดจากการทําทานทําบุญการเสียสละแบ่งกันแต่การนั่งสมาธินี้เป็นการเป็นบุญที่เราเป็นเฉพาะบุญของเราไม่สามารถแบ่ให้พูดอื่นรือแบ่งได้ก็มาดูนะแต่ พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวถึงว่าให้นั่งสมาออธิแล้วอุทิศบุญพระพุทธเจ้าสอนให้ไปทําบุญทำทานเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้ที่นงรับไปแล้วนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แต่ไม่ได้ทรงแสดงวิธีอื่นยังไม่กล้ารับรองว่าจะอุทิศได้หรือไม่ คำถามจากคุณเบญจภาครับกา ร, รมัธยสการสอบถามค่ะการเจริญมรณารู้สติคือการเตรียมตัวเตรียมใจกับการสูญเสียการพัดพลาดใช่หรือไม่คะการาบสาธุ ค, ค่ะใช่โดยเฉพาะการสูญเสียร่างกายของเราเป็นแบบมรณาลุสติเนี่ก็คือคิดถึงความตายหรือจะคิดถึงความตายของคนอื่นด้วยก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องคิดมากที่สุดก็คือความตายของเรามากกว่าเพราะมันเป็นตัวที่มีผลกระทบกับจิตใจของเรามากที่สุด ความตายของคนอื่นยังอาจจะไม่ทําให้เราทุกข์ทุกข์กกน้อยแต่ความตายของเรานี่มันจะทําให้เราทุกข์มากถ้าเรามันเจอเนอยู่เรื่อยๆนี้เราจะสามารถลดความทุกข์ให้น้อยลงได้หรือไม่มีเลยก็ได้คําถามจากดรลีลพัฒน์ครับการธรรมศการพระอาจารย์คารบกวนถามค่ะในวาระสุดท้ายของการสิ้นอายุไขเราควรกําหนดจิตไว้ตรงไหนคะและสามารถฝึกได้อย่างไรบ้างคะจึงให้ที่ความสงบเนี่ยนำจิตให้สงบ ให้ปล่อยวางทำได้ด้วยการฝึกสมาธิและมีปัฏ ส, สนาคำถามจากคุณนัทชยมนคลครับกลับถามว่าเวลาอยู่ที่บ้านจะสวดมนต์ทุกวันแต่มีคนมาบอกว่าไม่ให้สวดมนต์ชินนบัญชรและบท ร, รมวัดเช้าเย็นเพราะไม่ใช่พระสงฆ์เทวดาเขาร้อนอยู่ไม่ได้จริงไหมคะไม่จริงหรอกการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติเป็นการทาจิตให้สงบภหว่างให้เย็นใหสบายสามารถใช้ได้กับพระกับ คารวาไม่มีไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเพศว่าเป็นการปฏิบัติทางจิตใจคำถามจากครูจอสครับการธรรมสารท่านาอาจารย์ผมกออนุญาสอบถามปัญหาครับทำไมในพระพุทธศาสนาจึงห้าไม่ให้บุคคลที่ไม่ครบ32ออกบวชในพระพุทธศาสนาครับเพราะบางคนมีปัญญาที่เฉียบแหลมมากหากได้รับคาสอนที่ถูกต้องอาจจะบรรลุธรรมขั้นสูงก็ได้ครับขอบคุณครับคือการบวชพระนี้ ส่วนหนึ่งที่ต้องพระต้องทำกันเองก็คือดูแลตัวเองไม่ไปเป็นภาระของผู้เพราะฉะนั้นถ้าให้คนพิการมาบวชเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลคนพิการเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงโดยเฉพาะในยุคของพระพุทธเจ้านี่ยังเป็นยุคที่ไม่มีคนศรัทธามากงั้นถ้าไปเป็นคนพิการแล้วให้คนที่มาเลี้ยงมาคอย ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนี้ก็จ่อหาคนมาช่วยไม่ได้เองก็เลยไม่รับคนที่ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองได้ต้องอรู่พระเจ้าสอนหลักของอัตตาหิอัตโนนาเถอตอนเป็นเพืนของตนมาให้ไปเพื่อนผู้มาให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แม้แต่กา ร, รบินจักรนี้ก็ไม่ได้ให้ไปขอกา ร, รบินจักรานี้ให้เป็นการไปเดิน เดินไปแล้วเหมือนกับบอกให้รู้ว่าถ้าใครอยากจะทํำบุญก็ทําถ้าไม่มีใครอยากจะทําบุญก็ไม่ว่า ไ, ไม่ต้องการให้ไปเป็นภาระแก่ผู้ใดผู้ที่จะทําทถ้ารู้สึกว่าเป็นภาระก็ไม่ต้องทำถ้าเขารู้สึกว่าไม่เป็นภาระก็ปล่อยให้เขาทาได้ร่นี่คือหลักของกของหน้า บ, บวชหน้า บ, บวชนี้ต้องเป็นผู้พึ่งตนเองทําทุกอย่างเองได้หากินเองได้เลี้ปากเลี้งท้องตนเองได้ไม่ใช่จะให้คนนั้นคนนี้มาคอยเลี้ยงดู เราไม่ได้ดูที่ความฉลาดด้วยความโง่เราดูที่ทางร่างกายว่าสามารถเลี้ยงดูตนเองได้หรือเปล่าแต่คุณเบนครับโลกียะกับโลกุตระแตกต่างกันอย่างไรคะและมีความเหมือนตรงไหนหรือต่างตรงไหนคะโลกียะ ก, ก็คือโลกของของของพวกเราที่อยู่ของจิตใจที่ยังมีความโลภความกรความหลงอยู่ส่วนโลกุตระก็คือโลกของจิตใจที่ดลุดย หดนออกจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองคำ ถ, ถามจากคุณมัลติเวอร์ชัลยูนิตี้ครับอะไรคือนิยามง่ายๆของนิพพานของศาสนาพุทธครับคือใจที่สาดโดยสุดปราศ จ, จากความโลภโกรธหลงนีนง่คือ น, นิพพานจากคุณชินถามเรียนถามพระอาจารย์กรณีผู้ถือศีลแปดแล้วเราได้พูดคุยและบ้างครั้งทำอะไรผู้ถือศีลแปดว่าพูดและทาแบบ ไม่เข้าใจคำถามครับต่อไปครับขอเปลียนคำถามนะครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับเจ้าค่ะการลงทุนในหุ้นและตราสารต่างๆถือเป็นการพนันและผิดสี่ห้าไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ว่าเราเราทําแบบลงทุนก็ทำแบบการพ น, นันสมการพนันก็เหมือนเราเกณงกําไรว่าคุณตัวนี้จะต้องขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าเราดู เราดูดูประวัติของคุ้นแต่ละตัวแล้วก็ดูระยะยาวว่าหนตัวนี้ไม่หัววาแต่ก็มีการเจริญไปเรื่อยๆตายได้อาจจะไม่มากเหมือนกับคุ้นบางตัวแต่ก็การเสี่ยงก็น้อยลงก็ถือว่าเป็นการลงทุนแต่ถ้ามีความเสี่ยงมากนี่ก็จะถือว่าเป็นการเล่นการพ น, นันนะครับจากคุณไข่รุ่งครับร่วมสร้างพระ ออนไลน์และอุทิศให้แม่ที่เสียชีวิตตลอดจะส่งผลให้ผู้เสียชีวิตยกระดับการเป็นเป็นขึ้นตลอดไหมคะคือบุญที่อุทิศนี้เป็นเพียงแต่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของจิตดวงนั้นท่านเองและไม่สามารถที่จะไปยกระดับจิตของเขาได้จิตของเขาก็จะต้องใช้กรรมของเขาที่มีอยู่จนหมดไปแล้จิตของเขาก็จะเก ข, ขึ้นมาสู่ระดับของมนุษย์ได้เอง เหมืนคนที่ไปติดคุกเนี่ยเราส่งข้าวของเงินทองไปให้เขาได้แต่เราไม่สามารถดึงเขาออกจากคุกได้เราต้องรับใช้โทษของเขาจนกว่าจะครบวาระแล้วเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาเองแต่เราส่งข้าวของเงินทองไปเพื่อให้เขาอยู่สบายหน่อยมีของใช้พิเศษหน่อยมือะไรหน่อยทำให้การกินอยู่ของาในคุกนี้สบายกว่าคนที่ไม่มีคนส่งข้าวของเงินทองก็เป็นอ๋อพิมถามใหม่ละครับ คุณชินครับถ้าเราพูดคุยกับผู้ถือศีลแปดแบบพูดคุยแบบทั่วไปแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเราทําผิดหรือถูกโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกคือถ้าเราไม่ได้ถือศีลบาปแต่มันก็เป็นบาปของเพราะว่ามันจะถือศีลไม่ถือศีลถ้าเราพูดผิดเราพูดเท็จมันก็บาปทั้งนั้นแหะแต่คนที่เขาพูดกับเราเขาจะถือศีลเกียรติข้อเขาก็ไม่บาปตามเรกาการกระทําของเราไม่ได้ไปทําให้เขาบาปตามด้วย เราพูดโกหกเห ล, งลง่าหลวงเขาเนี่ได้บังโย่บางคนมาโกหกเห ล, งลง่าหลวพระนี่คนที่พูดโกหกเราหลว ง, งก็บาปแต่คนที่ฟังไม่บาปเนาพระไม่ได้บาปตามกับการโกหกหลอกหลวงของเขาคุณวันนาครับการน้ำพัสการเจ้าค่านําสุนัขไปบริจาคเลือดให้กับสุนัขที่เป็นมะเร็งสุนัขที่บริจาคเลือดนั้นจะได้บุญไหมเจ้าค่ะขึ้นอยู่กับว่าสุนัขนั้นมีเจตนาต้องการจะบริจาคหรือไม่ ถ้าก็ถูกบังคับไปเนี่ยเขาไม่ได้บุญเหมือนเราเนี้ยถ้าเราอยู่ดีๆมีคนมาเดินเราไปบริจาคไม่ได้เนี่โดยที่เราไม่มีความยินดีที่จะบริจาคเราจะไม่ได้บุญถ้าที่จะได้บุญอาจจะได้ทุกข์ซะีกเพราะเราเสียดายเสียใจที่ถูกบังคับให้บริจาคเลือได้จะเกดิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ฉะนั้นการที่เราไปทําอะไรบังคับพูดอื่เขานี้มันไม่ไม่ได้บุญต้องให้เขาสมัครใจ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากคุณนัทพงศ์ครับเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้สองสามเดือนโดยตามลมหายใจที่จมูกหลังๆวันนี้รู้สึกปวดที่จมูกสันจมูกแล้วก็หน้าผากต้องแก้อย่างไรให้อาการนี้หายไปครับก็ลองมาดูที่หน้าท้องแทนดมเข้าก็เห็นหน้าท้องกระพองดมออกก็ยุบเข้าไปที่เรียกว่ายุบหนอพรองหน่อแทนไปเถ้ารู้สึกว่ามีอาการปวดที่ที่จมูกก็ลองย้ายมาที่ท้องดู ถ้ายังปวดท้องอยู่ก็ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องใช้คำว่าพุโทโธพุโทโธแทนไปครับวันแล้วนะ อ, อ๋อเยอะเลยครับอาจารย์แต่หมดเวลาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับสรุปผู้ที่ฟังธรรมวันนี้ก็เยอะเลยครับอาจารย์ครับใน Facebook ทั้งหมด 1,074 คนใน u t u b บ 1,065 คนในกลับหา e 14คนครับวันนี้มีวาสกุปปสิกาฟังธรรมด้วยกัน 2,153 คนครับอาจารย์ครับ ข อ, อนุอโมสระว่าอนุมโมธนาสาธุกับทุกท่านบว่าการฟังธรรมนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้านไม่มากก็น้อยขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาบปหมอไปแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายไปในตอนนี้เลย ความว่าคงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์นหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครั บ, รบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ